เอาก็ขอโมทนากับคณะครูอาจารย์แล้วก็ญาติโยมทุกๆ ท, ท่านออที่ได้ตั้งใจในการที่จะมาอบรมแล้วก็ฟังข้อมูลพื้นฐานของชีวิตในหัวข้อที่เราจัดการอบรมกันเรียกว่าชื่ออะไรนะโครงการอะไรเนี่ย การปฏิบัติธรรมฉลองพุทธชยันตีเป็นคนดีตามรอยพระบาทเป็นคนดีตามรอยพระศาสดาที่จริงไม่ได้อธิบายหัวข้อนี้คือคนดีมีหลายอย่างนะคนดีมีหลายอย่างทีนี้คนดีของอย่างเช่นคนมีอาชีพ ประมงเนี่ยก็เรียกเป็นคนดีแต่คนดีในอาชีพในการทําประมงเนี่ยเขาฆ่าสัตว์นะเขาฆ่าปลาคนที่ตั้งบริษัทเออในการที่ว่าโรงงานฆ่าสัตว์เขาก็เป็นคนดีแต่คนดีอย่างนั้นก็คือเป็นโรงงานในการที่ฆ่าสัตว์ใช่ไหมล่ะอีกอย่างหนึ่ง สภาพของคนดีเราจะเห็นเยอะในสภาพสังคมเนี่ยทุกอาชีพไม่ว่าจะเป็นอาชีพเกษตรกรรมเขาก็เป็นคนดีแต่ในเนื้อในของคนดีนั้นเาก็ยังมีกินเหล้ามีสูบบุหรี่มีเล่นการพนันข้าราชการไม่ว่าจะเป็นพ่อข้าราชการระดับเป็นครูเป็นข้าราชการทุกระดับก็เป็นมีบริบทของคนดีนะ ซึ่งบางคนก็ยังมีการเที่ยวตเตะทีฮ่ามีการเล่นพ น, นันบ้างเล่นการพ น, นันบ้างสนุกสนานล่าเลิงบ้างใช่ไหมขณะบริบทของคนดีมีมีเยอะแยะเด็ดเดิดหมดทหาราก็เป็นคนดีเป็นรั้วของชาติแต่เขาก็ต้องมีการต่อสู้กันการีราชศัตรูที่จะมาลุกลานงานสภาพของคนดีเนี่ยจึงมีหลายระดับแต่ในที่นี้บอก เป็นคนดีตามรอยพระาศาสดาฉะนั้นคนดีตามรอยพระาศาสดาจึงกระชับลงมาถึงว่าเป็นคนดีระดับที่จะเดินตามรอยบาทพระาศาสดาก็คือมั่นใจดังที่บอกไว้ว่ามีศรัทธาในพระตถาคตเชื่อมั่นปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคตว่าเออพระตถามคดีเป็นพระพุทธเจ้าได้เพราะ เป็นคนดีชนิดที่สามารถขับเน้นกุศลได้จริงไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับขั้นพื้นฐานในการที่จะเกี่ยวข้องกับพ่อแม่ก็เป็นคนดีและตามรอยพระศาสดาไม่ใช่ดีแบบทั่วไปที่เขาดีเช่นเมื่อเกี่ยวข้องกับพ่อแม่ดังที่ได้กล่าวก็สามารถปฏิบัติหน้าที่ของความเป็นลูก ท่านเลี้ยงเรามาเลี้ยงท่านตอบทำกิจของท่านดำรงวงตระกูลทั้งหมดเหล่านี้ขับเน้นสภาพใจที่เป็นกุศลได้จริงไม่ใช่เป็นดีแบบฉบับตามประเพณีธรรมดาสามารถฉลาดคิดแล้วก็มีจิตที่เป็นไปกับกุศลทำไปด้วยความเมตตก็ได้กรุณาก็ได้มุติตาก็ได้หรือบางคราก็วางใจเป็นอุเบกขาวางใจเป็นฉลาดมีปัญญารอบรู้ในการที่จะใช้ชีวิตได้ถูกต้อง ลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นคนดีตามรอยพระศาสดาฉะนั้นคนดีตามรอยพระศาสดาไม่ใช่คนดีแบบเป็นเพียงแค่ประเพณีหรือวัฒนธรรมที่ทําสืบๆกันมาแต่เป็นคนดีที่ต้องการที่จะปลุกเร้าตนเองเข้าสู่สภาพที่เป็นกุศลที่แท้จริงคือต้องการที่จะเกี่ยวข้องกับพ่อแม่ก็ปลุกเร้ากุศลได้จริงเกี่ยวข้องกับครูบาอาจารย์ก็ปลุกเร้ากุศลที่ปฏิบัติต่อกันได้จริง เกี่ยวข้องกับมิตรกับเพื่อนก็ปลุกเร้ากุศลให้เกิดขึ้นได้จริงเกี่ยวข้องกับบุตรภรรยาสามีญาติมิตรก็ปลุกเร้าตัวกุศลสภาพใจที่เป็นไปกกุศลความฉลาดคิดเป็นต้นเป็นแม้เกี่ยวข้องกับผู้ใต้บังคับบัญชาก็ปลุกร้าสภาพใจที่เป็นกุศลหรือเกี่ยวข้องกันกับพระสงฆ์ก็ปลุกร้าใจที่เป็นกุศลพระสงฆ์ที่เกี่ยวข้องกับญาติโยบก็ปลุกเร้าใจที่เป็นกุศล แล้วก็สั่งสอนความดีได้จริงเป็นต้นสรุปแล้วเป็นคนดีตามรอยพระศ า, าสดาไม่ใช่เป็นอย่างที่เป็นแต่เป็นการปลุกเร้าตนเองในการที่จะฝึกขัดขัดเกลาตนเองกระตุ้นเตือนตนเองในการที่จะพัฒนาทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลหรือพัฒนากระแสะของชีวิตเข้าสู่ทานบา ร, รมีศีลบา ร, รมีเนคขม้าปัญญาวิรยิยะขันติสจัทธิฐานเมตตาและเบขาบา ร, รมีได้จริง ต้องการพัฒนาตัวเองเป็นอะไรเป็นหนึ่งในพุท ธ, ธพุท ธ, ธาสามประการใช่ั้มบางคนก็นน้มสูงสุดเลยสัมมาสัมพุท ธ, ธาบางคนก็ลองลองมาหน่อยปัจเจกขพุท ธ, ธาหลายท่านก็เป็นอ๋อขอเป็นสาวกเก่าพุท ธ, ธาสรุปก็คือเนี่ยเป็นคนดีตามรอย菩萨สดะทีนี้ พขบอกว่าเป็นคนดีตามรอยพระศ า, า, ส, าสดาก็มากำชับลงอีกว่าเออถ้าจะเป็นคนดีตามรอยพระศ า, าสดาในหัวข้ออะไรบอกไตรสิกขาคือวิชาของชีวิตพอบอกไตรสิกขาคือวิชาของชีวิตตัวไตรสิกขาเนี่ยมีสามคือศีลสมาธิปัญญาทีนี้ตัวศีลเนี่ยจะมีแบ่งเป็นสองส่ว น, วนเห็นไหยว่าในส่วนของจารีตที่ได้เรียนรู้ไปแล้วการปฏิบัติต่อครอบครัวและสิ่งแวดล้อมนี่แหละ ในส่วนของจารีตเป็นต้นเหล่านี้จะแฝงในทานกุศลอยู่ในนั้นด้วยให้สังเกตดูนะจะมีตัวทานกุศลและก็สู่สีนกุศลเพราะการเกี่ยวข้องกับพ่อแม่การเกี่ยวข้องกับครูบาอาจารย์การเกี่ยวข้องกับเพื่อนการเกี่ยวข้องกันกับบุตรภรรยาสามีการเกี่ยวข้องกับผู้ใตบ้บังคับบัญชาการเกี่ยวข้องกับพระสงฆ์ต้องมีการขับเน้นตัวทานคือการให้ไหมทานคือการให้ แต่ต้องขับเน้นไม่ใช่แค่รูปแบบแต่ใจที่เป็นใบ ก, กุศลได้จริงและขับเน้นปิยาวาจาใช่ไหมคือการปียาวาจาที่เป็นไปกามเมตตาวาจีกรรมเมตตาการุณาวาจิกกรรมหรือมุทิตาวาจีกรรมแล้วก็การประพฤติประโยชน์การประพฤติประโยชน์ดังกล่าวแล้วก็การเอาตนเข้าไปสมานที่เป็นสมานะตตะหลักต่างๆตรงนี้ก็เป็นหลักเห่งการที่จะให้รู้หัวข้อก่อนที่จริงวันแรกไม่ได้พูดตรงนี้ แต่วันนี้เห็นมีหนังสือครอบกันแล้วอา้าวลืมพูดหัวข้อไปไอ้ตรงนี้ก็อาจจะยังไม่ได้ขยายตรงนี้ให้ชัดเจนแต่นี้ก็พอจับประเด็นได้นะว่าการเป็นคนดีตามรอยพระาศาสดาไม่ใช่เป็นอย่างที่สังคมส่วนใหญ่เป็นแต่คนดีตามรอยพระาศาสดานั้นต้องการที่จะปลุกเร้าตัวเองนั้นน่ะเดินให้ถูกต้องตามพุทธโอวาทที่พระบรมศาสดาตรัสบอกไว้จริงๆน่าเชื่ใจไหม เราได้หัวข้อเราได้ปฏิบัติที่จะเป็นคนดีตามรอยพระศ า, าสดาไม่ใช่เป็นคนดีแบบทั่วๆไปคนดีแบบทั่วๆไปนะเราจะโกรธก็ได้เราจะสนุกสนานเฮฮากินเหล้าเมายาสนุกสนานมีการสังสรรค์กันเป็นระยะระยะอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมสังคมไทยเขก็มีการเฉลิมฉลองกันเป็นระยะโดยเฉพาะสังคมไทยได้แล้วเนี่ยโหเทศกาลสงการก็เมาเทศกาลขึ้นปีใหม่ก็เมาใช่ไหม เทศกาลลอยกระทงก็เมาอีกแถมไปเอาของศาสนาอื่นวันวาเลนไทยก็เมาพไปอีกเยอะเลยนะสัพพอย่างงั้นไม่ใช่เป็นคนดีตามรอยพระศาสดาเพราะถ้าเป็นคนดีตามรอยพระศาสดาก็คือไม่เกี่ยวข้องกับไบยมุกไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายที่จะมาทําลายกระแสชีวิตของตนเองเอาละมีไม้ได้ยังอา้าวมีไม้อีกสองไม้โหไม่ธรรมดาแล้วอา้าว สำหรับบุคคลที่จะถามปัญหาก็เชิญถามได้ทุกปัญหานะถามเลยถ้าไม่ถา ม, อถามเออพาจะถามปัญหาถ้าตอบไม่ได้ทำไงให้กลับสองทุ่มอ้ <c oughs> อาวถามไม่ต้องไงต้องถามนะอา้าว แล้วถ้าจะระบุคนตอบได้พาที่ตอบได้ยิ่งชัดเลยไ ม, ไม่ไม่ระบุทางไหนก็ไม่ระบ <c oughs> นุ น, บนถ้าไม่โบดเดี๋ยวอามาจะเป็นผู้คคไขควรพิจารณาคื อ, อตัวตัวฉันเองนะคะตัวโยมเองบอกกชื่อชื่อชนรดีค่ะค่ะ ม, มีคำถามคืออ่า คือโยมคืยมก็ยังมีแบบครอบครัวมีงานอะไรเงี้ยค่ะยังละจากตัญหากิเลสอะไรเงี้ยไม่ได้เยอะค่ะแต่ว่าก็ก็คิดว่าปฏิบัติปฏิบัติตนนะคะเป็นชาวพุทธที่ดีก็คือยังสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็ทําบุญตักบาตรเข้าวัดบ้างแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบเคร่งคัดปฏิบัติอย่างเคร่งคัดอยากจะถามว่าจาะอ่า ต้องทำแค่ไหนคะถึงถึงจะเพียงพอที่ทำอยู่ดีพอหรือยังหรือว่าจะต้องทำแค่ไหนคะในการปฏิบัติตนที่จะเป็นชาวพุทธที่ดีะอะค่ะปัญหานี่เป็นมหาถามแบบรวมๆเนีน่น่าจะทุกคนก็น่าจะจะเจอประเด็นนี้ว่าเออพ่อบอกว่าเป็นคนดีตามรอยพระศาสดานี่เราจะอึดอัดไหมใช่ไหมรค่ะคือคือ <c oughs> ด้วยเนื่องจากจาก ทังโลกที่ที่ทำอยู่ทุกวันนี้คือทำงานต้องทํางานต้องดูแลครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะ ถ, ถ้าทําทําแค่นี้คือสวดมนต์ไหว้พระขวัดทำบุญตักบาตรแค่นี้เพียงพอหรือยังอะค่ะหรือว่าหรือว่าจะเหมือนมีแนวทางที่จะแนะนําให้ทําเพิ่มหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะออคืออย่างนี้ที่จริงถ้าสรุปจากที่บรรยายมาตรงนี้ขอขอประเด็นสรุปตรงนี้นิดนึงว่าเป็นปัญหาที่ค่อนข้างเป็นโครงสร้างของการปรับบัติ ถ้าหากสรุปประเด็นที่ได้ได้ได้บรรยายมาจะเห็นชัดว่าเออหนึ่งการที่เราจะเป็นคนดีตามรอยพระศ า, าสดาเนี่ยถามว่าสวดมนต์ไหว้พระและใส่บาตรแค่นี้พอหรือไม่ประเด็นต้องเจาะลงไปบอกว่าเออในชีวิตเนี่ยสีนห้าอันนี้เป็นของคารวะเลยนะสีนห้าเนี่ยปฏิบัติได้ถูกหรือ ย, ยัง ถ้ายังไม่ถูกอันนี้แปลว่าอะไรเนี่ยความสะอาดทางกายความสะอาดทางวาจาความสะอาดทางใจอันนี้ยังไม่พร้อมเคลียที่ไม่พร้อมเพราะจะไปเตรียมตัวในการปฏิบัติต่อพ่อแม่ก็จะไม่ถูกปฏิบัติต่อครูอาจารย์ก็ไม่ถูกปฏิบัติต่อศิษย์ก็จะไม่ถูกปฏิบัติต่อเพื่อนปฏิบัติต่อสามีปฏิบัติต่อลูกและปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชา หรือปฏิบัติต่อพระสงฆ์ก็ยังไม่ถูกฉะนั้นกิจกรรมไม่ใช่อยู่แค่สวดมนต์ไม่ใช่ตรงนั้นแล้วแต่เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องว่าการปฏิบัติในสีห้าเนี่ยไม่ได้ขัดกับการคองเรือนเลยและที่ขับเน้นทุกวันนี้ที่คณะคูบาอาจารย์มาขับเน้นกันเนี่ยเป็นชีวิตของการคองเรือนที่บริบูรณ์และชีวิตจะมีความสุขชีวิตที่จะดีงามครอบครัวก็จะย่อเย็นเป็นสุข สิ่งแวดล้อมก็จะดีขึ้นเพราะสภาพของใจของเราเนี่ยเป็นไปกับความสะอาดจากกิเลสทั้งหลายที่เกี่ยวเกี่ยวข้องคารวะถึงปฏิบัติก็คือไม่ฆ่าสัตว์ก็คือไม่รักทรัพย์ก็คือไม่ละเมิดทรัพย์สินของบุคคลอื่นก็คือไม่ประพฤติผิดในกรารมแล้วก็ไม่พูดเท็จเป็นต้นแล้วก็ไม่เอาของมืนเมามาเข้าสู่กระแสชีวิตแล้วก็เลือกคบคนใช่ไหมใช่ไหมไม่เกียจค้านทาการงานเป็นต้นเหล่าเนี้ในหนังสือเล่มนี้มีครบ ที่ให้ไปแต่อาจหน้าอาจจะอยู่ตรงจุดใดเดี๋ยวจะมาสรุปอีกทีหลังจากจะจะที่พูดไปก็คือสรุปเบ็ดเสร็จก็คือว่าการสวดมนต์การใส่บาตรถึงแม้ว่าไม่ประจําเนี่ยแต่จริงจิกิจของการเป็นคนดีตามรอยพระศ า, าสดาเนี่ยท่านขับเน้นอะไรขับเน้นถึงการว่าหนึ่งเราสามารถปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมได้ถูกต้องแล้วก็เว้นจากอคติได้จริง เดินพรมวิหารคือเมตตากรุณามุติตาและอุเบกขาที่เกี่ยวข้องกับทางกายทางวาจาในการประพฤติประโยชน์แล้วก็ในการวางตนที่เหมาะสมได้จริงดังที่ได้กล่าวเลยพอจะจับประเด็นได้ชัดขึ้นใช่ไหมอลองให้พอตอบก่อนเลยปัญหาเลยเาปัญหาสองข อ, อ, อ, ข, อขอกับกับนักศิการพระคุณเจ้าครับผมนายบรนดวิสมปองครับ ขอเก็บเรียนถามท่านสมานเณรรดุลยกรหรือท่านผู้จัดการอาจารย์รดนะครับในเรื่องและก็ขอถามพระคุณเจ้าคอมเมนต์ต่อด้วยนะครับในเรื่องของการที่ท่านอาจารย์รดบอกว่าการศึกษาโหราศาสตร์โยคะนะครับซึ่งเป็นวิชาที่ผมเห็นว่าประเทศไทยท่านก็เป็นหนึ่งนะครับเคยลงหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะ นะครับเป็นหนึ่งในเรื่องของโหราศาสตร์โยคะออแล้วท่านบอกว่าท่านบอกว่าเดินทางผิดนะในทางพระพุทธศาสนาซึ่งผมก็เห็นว่าวิชาโหราศาสตร์เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่จะช่วยเหลื อ, อบุคคลต่างๆได้ออซึ่งทําไมถึงว่าเดินทางผิดแล้วก็จะไม่ศึกษาต่อหรือไม่ช่วยเหลือต่ อ, อนะครับขอขับเร<อ>ียนท่าเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่จะให้เน้ลดตอบขอให้ท่าน จะมีใช้ตอบก่อนดีไหมประเด็นนี้เพราะท่านถนัดนะเฉพาะปัญหาเรื่องโทรศาสตร์เนี่ยนะเดี๋ยวเน้นรถจะได้สรุปประเด็นอีกทีนะอย่งั้นดีกว่าจะได้ชัดขึ้นอ่าขอนิมนต์ก่อนเหตุผลที่ต้องให้ท่านจะมีใช้ตอบประเด็นนี่คือคือท่านอยู่กับเรื่องนี้มานะอ้าวนิมนต์พูดอะไรเลยนะอ้าวก็อธิบายเรื่อง เกี่ยวกับโหราศาสตร์แล้วกันนยมนะโหราศาสตร์เนี่ย ส, สิ่งเหล่านี้โยมอธิบายเขาข้าวแล้วกันนโยมเนาะ mm hmm. เขาจะชี้อย่างเช่นวเวลาดูลามือเงยโยมดูโ ง, ง่เฮงหรือว่าตลอดจนหนักกว่านี้เจ้าเขาส่งอย่างนี้นโยมนะนเขาสรงแล้วก็เห็นเราดัรู้เลยตอนเรานู้นเป็นอย่างนี้ตรงนี้เป็นอย่างงั้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะเนาะเอราทั้งหมดเนี่ยมันจะ มันจะได้ระดับหนึ่งคือเขาจะเช็คได้เป็นต้นว่าเราเคยทําบาปอะไรไปบ้างมันก็โชว์มาทางมือจริงๆรงโยมถ้าคนดูเป็นมันโชว์มาทางมือจริงๆว่าว่ามันเป็นยังไงยังไงในอดีตมันะไม่ตอบยาวนะแต่หรือว่าเจ้าเข้าสรงนี่เขาบอกว่าเราเคยทำโน่นนี่มาเป็นต้นแล้วจะเจอปัญหาอย่างนั้นอย่างนั้นเป็นต้นถ้าแบบคนไม่ใช่คนพุทธเอาตอบนี้แล้วกัน ถ้าไม่ใช่คนพุทธแบบเข้าใจหลักการของศาสนาพุทธแบบกลุ่มอื่นที่ไม่ใช่กลุ่มพวกโยมเนี่ยเขารู้แล้วเขาจะต้องตื่นเต้นเพราะเขารู้สึกว่ามันจะช่วยเป็นแก้ไขปัญหาเช่นว่าจะรู้ว่าตัวเองจะประสบเคราะห์ภัยอะไรในอนาคตเพื่อจะแก้ได้แต่เขาไม่รู้หรอกแก้ยังไงพอสังเกตนะหมอดูทั้งหลายจะแก้เราไม่เป็นว่างันเถอะแต่ถ้าใครเขาตามมารู้หลักเกณฑ์ของศาสนาพุทธปุ๊บเช่นทานมีผลอย่างไร ศี่ห้ามีผลอย่างไรแตกเป็นข้อๆเลยนะไม่ได้ไม่แตกเข้าใจหมดเลยการไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์มีผลอย่างไรไม่ลักทรัพย์เป็นอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นคนคนนั้นคนคนนั้นสามารถสร้างเหตุที่เป็นกุศลใหม่ได้ดีนนะและสร้างเหตุที่เป็นกุศลมันก็ต้องมีผลที่เป็นกุศลเช่นกันผลที่เป็นกุศลนั้นก็จะมาจัดแจงชีวิตของเราที่จะเกิดขึ้นได้ ว่าสมมุติวันนี้เราต้องการให้ให้ชีวิตของเราในอนาคตโรยด้วยกีบกุหลาบสํานวนแบบชาวโลกนะโอ้โหสะดวกสบายง่ายสุดๆชีวิตนี้ภายในห้าปีสิบปีเป็นต้นภายในห้าปีสิบปีหรือภายในไม่กี่วันเนี้ยระบบกุศลบางตัวไม่ลงรายละเอียดนะอยากรู้รายละเอียดเดี๋ยวไ้ถามอาจารย์เอกทีหลังว่ากุศลอะไรทาปุ๊บเดี๋ยวได้ผลไม่กี่วันเลยอย่างนี้เป็นต้นนะะ มันก็จะเปลี่ยนแปลงชีวิตทันทีเพราะเริ่มตรงนี้ปุ๊บจะสังเกตเห็นชัดว่าถ้ากูสอแบบศาสนาพุทธิยมกําลังเริ่มศึกษาเนี่ยการใช้หมอดูการใช้ล้างทรงการดูอะไรเงี้ยเริ่มไม่จําเป็นเพราะเขาไปดูว่าการรมเก่าของเราเคยทําอะไรมาบ้างแล้วมันไม่ตรงเป๊ ะ, เ, ปะเพราะหลักการของโหราศาสตร์หมอดูงโงเฮ้งหรือร้างทรงอะไรเงี้ยมันจะไม่ตรงอะไรแน่นอนมันเปลี่ยนได้มันเปลี่ยนได้ แล้วเราก็จะดูมาเช่นเช่นเอางี้แล้วกันนะเหมือนเหมือนคุยกันเป็นเรื่องตลกตลกเช่นดูว่าเหมือนตมาเคด้เรื่องเรื่องเรื่องเรื่องหนึ่งนะคนก็ไปหมอดูก็ไปดูให้กับคนคนหนึ่งนะบอกว่าบอกว่าเธออายุจะไม่ยืนวางั้นเถอะอายุต้องระวังนะอายุเธอไม่ไม่ดีไม่ยืนนะครับอายุสั้นไอ้เจ้าคนนั้นก็ถามว่าแล้วหมอเออแล้วหมอล่ะดูตัวเองไหมว่าสั้นหรือยาว เฮ้ย hey, ฉันรายุยืนดูแล้วไอ้เจ้านั่นก็บอกว่าไม่ยืนหรอก hmm, ไม่ยืนได้ไงฉันนะดูมาแล้วว่ายืนว่าเงินเถอะไอ้นั่นบอกว่าไม่เชื่อเหรอกไอ้เจ้านั้นคงเลื่องมา น, นานแล้วนะเลื่อนอย่างนี้นนะคงสายจะนานแล้วเขาก็เลยหยิบดาบข้างตัวมาแล้วก็ชักดาบฟันหัวหมอดูนะสัฟับแล้วก็บอกว่านี่ไงกูบอกแล้วไม่ยืนก็ไม่เชื่อว่าเงินเถอะ เ, เ, เอออย่างนี้เป็นต้น อย่างนี้เป็นต้นเออมก็จะเห็นโยมว่าถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงไอ้เจ้าหมอดูนั้นก็ดูตัวเองแล้วว่าอายุจะยืนแต่มันยืนไหมล่ะเห็นหมโยมและหลักการของหลักการของาศาสนาสมมตินะใครมาดูดูโยมโยดูดวงของโยมนะแล้วบอกว่าดีๆๆลองโยมไปสร้างเหตุใหม่ลองฟังซักคำสอนศาสนาแล้วไป ส, สร้างเหตุตรงข้ามกันนะโยมไม่กี่วันพังเลยใครอยากลองไหม เป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆบ้างเพื่อนครูบาอาจารย์บ้างเอา ม, ม, มั้ยโยงดีไหมเอาที่มันแบบฝ่ายไม่ดีอ่ะแบบชีวิตนี้โรยด้วยหนามและลูกเห็บอะไรเงี้ยเจ็บทันทีเลยเงี้ยไม่ยากนะเดี๋ยวอาจารย์เอกก็จะสอนอีกเรื่องนี้อาจารย์เอกชํานาญว่างั้นเถอะก็เข้าคร่าว๋ยวส่วนส่วนอาจารย์เนรุษจะเรียกอะไรเนรุษอาจารย์ เนนอาจารย์ลุดเออจะเล่าว่าตัวเองเป็นยังไงแล้วกันนะจะมานี้ตอบพระค่าเป็ตอบเรื่องนี้ยาวไม่ได้ ไ, ไม่ดังแล้วต้องมีใหม่ส่วนตัวครับเดี๋ยวโดนออแย่งใหม่เ อ, อ, เ อ, อตรเลลครับนีออออ่มานั่งตรงนี้ดีกว่านี่เอาตรงนี้เลยนะครับมานั่งตรงนี้หมายความจริงเล่านิดเดียวครับ นครับก็กราบขอบพระคุณพระอาจารย์และก็พระอาจารย์หยงนะครับที่ให้ชี้แนวเกี่ยวกับทางโหราศาสตร์ก็เป็นจริงอย่างที่ท่านพระอาจารย์หยงว่าเรานั้ น, นรักโหราศาสตร์แล้วก็ศึกษามาตั้งแต่เล็กๆเลยนะหมายถึงว่าชีวิตนี้เนี่ยอยู่กับโหราศาสตร์มาเรียกได้ว่าโโหตั้งแต่เล็กแต่น้อยแล้วก็หมกมุ่นอยู่กับโหราศาสตร์มาตลอด เพราะว่าอยากจะเป็นผู้อย่างรู้ฟ้าดินใช่อยากจะไป ย, ยืนอยู่บนเวทีแล้วก็บอกว่าเคยเคยเห็นไหมว่าไอ้ที่เขาพยากรณ์อากาศอะ่ะแล้วก็ทีวีสามองศาอะไรเงี้ยเนี่ยอาตมานี่จินตนาการเลยนะว่าต่อไปวงการโหราศาสตร์จะต้องสั่นสะเทือนว่าจะมีการออกอากาศแล้วก็บอกว่าวันนี้เนี่ยท้องฟ้าเป็นยังไงแล้วคนในโลกนี้ ภาคนั้นภาคนี้หรือเกิดช่วงนั้นช่วงนี้นี่จะมีชีวิตไปยังไงขนาดนั้นเลยนะไอ้ความคิดจินตนาการเนี่ยอันนี้สิ่งที่รักที่สุดในชีวิตก็ว่าได้แล้วก็เป็นชีวิตจิตใจเนี่ยแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยมาจบที่ประเด็นว่ารู้ฟ้าเนี่ยแล้วก็เรารู้ว่าจะอะไรเกิดขึ้นก็เหมือนกับเราก็จะรู้ว่าเราจะเป็นยังไงได้พอสมควรทีเดียวในโหราศาสตร์แต่ถามว่ารู้ไปแล้วเนี่ยว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันจะดีเมื่อไหร่จะแย่เมื่อไหร่เนี่ย หรือมันจะไม่ดีเมื่อไหร่เนี่ยมันก็พอบอกได้แต่ถามว่าแล้วมันแก้อย่างไงอะ่ะในที่สุดแล้วมันแก้ปัญหาไม่ได้มันก็เพียงแค่ว่ารู้แล้วก็พอมีความหวังว่ามันจะมีอะไรที่จะเกิดขึ้นกับเราบ้างแค่นั้นเองรึกออกไหมจริงๆแล้วเนี่ยมันก็อาจจะเป็นพอความหวังคนเราเนี่ยพอบอกว่าไอ้ทุกข์อันนั้นเนี่ยเดี๋ยวปีหน้ามันจะหมดเพราะทุกอย่างเนี่ยมันก็จะต้องมีทางออกมีทางจุดจบแล้วมีจุดเริ่มต้นใหม่ โชคลาภมันจะมาเมื่อไหร่อะไรงี้ก็พอดูได้คร่าวๆแต่ในที่สุดปุ๊บมันก็เป็นเป็นเรื่องที่มันจะแก้อย่างไรแค่นั้นเองแต่ประเด็นสําคัญไม่ได้อยู่แค่ตรงนั้นน่ะนะครับในในส่วนตัวของผมซึ่งปกติแล้วเนี่ยสนใจในการเขาเรียกว่าอยากจะรู้ในเรื่องของจิตเพราะเราอยากจะรู้เป็นผู้ที่ยังรู้ตั้งแต่จิต จดจักรวานะโอ้โหมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะแล้วก็อยากจะใช้จักรวาลมาจัดการกับจิตได้เราก็พยายามมาศึกษา อ, อทางด้านพุทธเพราะเรารู้ว่าพระพุทธองค์นั้นทรงเป็นเลิศในเรื่องของการเข้าใจชีวิตและเข้าใจจิตของมนุษย์แล้วเราก็มาศึกษาแล้วเราก็เอามาต่อยอดกับโหราศาสตร์เราอันนี้แหละคือประเด็นที่ตอนนั้นเนี่ยเราทาไปโดยความรู้ไม่เาเรียกว่าเท่าไม่ถึงการ เราเอาของที่บริสุทธิ์ที่สุดนั้นเนี่ยไปต่อยอดในสิ่งที่เรานั้นกําลังศึกษาแล้วก็เป็นวิชาเขาเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิได้ซ้ําไปและพยายามจะแบบโยงให้อะไรล่ะให้คนนั้นเนี่ยพยายามตอนนั้นก็คิดว่าโหลาศาสตร์จะต้องช่วยนําพาคนเนี่ยเข้าไปศึกษาทำได้อะไรเงี้ยเราก็คิดอย่างนั้นแล้วก็จะนําพาทำให้เรานั้นเนี่ยสามารถเขาเรียกว่าศึกษาทำหรือปฏิบัติทำได้ก้าวหน้าดียิ่งขึ้น ตอนนั้นก็คิดอย่างนั้นจริงๆนะมันก็เป็นความคิดของของของความที่เราอยากจะใช้สิ่งที่เรารักนั้นเนี่ยมามาทำให้การปฏิบัติหรือความก้าวหน้าทางธรรมนั้นได้ดีขึ้นถึงมีอะไร ว, วันเพิ่มพลังชีวิตเวลาฟ้าเปิดฟ้าปิดเวลาวันไหนไก็เรียกว่าวันรู้แจ้งวันอะไรต่างๆเพื่อ น, น้อมให้ว่าเราจะใช้วันนั้นเนี่ยในการสวดมนต์ในการที่จะทาอะไรให้ระมัดระวังตัวไม่ประมาทอะไรเงี้ยก็พาคนเขาเ อ, อ, อะไรแล้ว ไม่รู้ว่าออกทะเลหรือไปไหนเสียหายไปไม่รู้เท่าไหรนะ่นะดีนยังไม่ดังมากถ้าดังมากอาจจะเป็นบาปมากกว่านี้นะแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยประเด็นที่สำคัญก็คือว่าเอาของที่บริสุทธิ์ที่สุดเนี่ยแล้วก็มาผสมประสานเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อันตรายที่สุดซึ่งเพิ่งมารู้เมื่อไม่นานวันนี้ว่าเราเนี่ยไปทำเ้าเรียกว่าไปทำสิ่งที่มัวหมองแล้วก็ไปทาสิ่งที่ทาให ความจริงแล้วเนี่ยในเรื่องของพระธรรมหรื อ, อพุทธโอวาทเนี่ยยิ่งใหญ่แล้วก็บริสุทธิ์และก็เบ็ดเสร็จในตัวไม่ว่าอย่างที่พระอาจารย์เคยบอกเราใช่ไหมว่าไม่ว่าจะเดินไปข้างหน้าเงยหน้าเลียวซ้ายมองไปทางไหนหรือจะทําอะไรเนี่ยสามารถมีพุทธโอวาทกํากับได้ทุกอย่างแล้วแล้วก็ไม่ต้องไปเขาเรียกว่าไปคิดหรือไปหาข้อมูลอื่นมาทําให้เรานั้น ก็ได้ก็ได้ปฏิบัติตัวตามมีหมดทุกอย่างแล้วว่าให้เราคิดยังไงแล้วก็ทำยังไงไม่ต้องไปอ้างดาวไม่ต้องไปอ้างลายมือคือไม่ต้องไปทำอะไรแล้วคือมันมันเบ็ดเสร็จในตัวอยู่แล้วแล้วการที่เราเอาสิ่งที่เรารู้เนี่ยในเรื่องของเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องของทางโลกหรือทางโหราศาสตร์หรืออะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ไปเอาพระธรรมนั้นมาต่อยอดมันเหมือนไม่เคารพพระธรรมความที่ไม่เคารพพระธรรมเนี่ยเราเลยขาด ความเชื่อมั่นและศรัทธาในพุทธโอวาทแล้วเราก็กลับกายไปเชื่อทิฏฐิหรือตัวเองมากขึ้นมากขึ้นว่าเราจะเป็นผู้ยั่งรู้ฟ้าดินแล้วเราเอาจะเอาตัวเรานั้นรอดได้พระพุทธเจ้านี่เป็นเรื่องที่แบบอะไรล ะ, ะเหมือนกับว่าเราก็คิดเองได้เหมือนกับที่พระพุทธองค์ทรงเป็นเหมือนพระพุทธองค์เขาทรงคิดเองอะไรฉันใดก็ฉันนั้นเลยความเป็นตัวตนมันก็ยิ่งมีมากขึ้นมากขึ้นจนลืมลืมไปว่าโหเนี่ยเราเนี่ยบาปขนาดหนักเราไปเอา เขาเรียกว่าลิกสิตของพระพุทธองค์เนี่ยมาอ้างอิงในของเราโดยที่ว่าเรียกได้ว่าเอามาผสมผสานจนมันขาดความบริสุทธิ์ไปอันนี้บาปมากเลยนะอย่าทําตามเด็ดขาดอันนี้ที่เล่าให้ฟังนี่คือรู้สึกว่าสํานึกผิดแล้วแล้วก็ต่อไปนี้เนี่ยสลาณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสลาณะของข้าพเจ้าอัตมาทิ้งเลยแล้วก็อาจจะมีดูดูอยู่บ้างมันยังติดอยู่บ้างะนะแต่ก็พยายามที่ งั้นอย่าได้ถามเด็ดขาดพราะมันเป็นจริตนิสัยส่วนตัวก็บอกว่าเราจะไม่ใช้วิชานี้ในการที่จะมาน้องนำหรือพูดวิชานี้โดยโดยเด็ดขาดอะไรเงี้ยนะแล้วก็และตอนนี้พอมาอยู่ในเาเรียกว่าพอมาบวชแล้วเนี่ยแล้วเราก็เดินตามพุทธโอวาจริงๆเราถึงเห็นว่าถ้าเราได้ปฏิบัติตามเนี่ยแล้วก็ได้ความเชื่อมั่นศรัทธาเนี่ย จากข้อธรรมเพียงเล็กๆน้อยๆในการที่เรามาเจริญเขาเรียกว่าในพระวินัยในเรื่องของศีลของเนนหรือในเรื่องของศีลหรือในเรื่องของทานเนี่ยมันก็มีความพิติในความดีแล้วเราก็จะรู้สึกน้อมศรัทธาในพระองค์มากขึ้นมากขึ้นทุกวันมันแตกต่างกว่าแต่ก่อนที่เราไปปฏิบัติไปศึกษาแต่เราไปเอาพระธรรมของที่บริสุทธิ์นั้นเนี่ยมาใส่ในไม่ว่าจะเป็นในเรื่องที่เราเอามาเขาเรียกว่าเป็นนักบูรณาการเนี่ย มันก็เลยขาดความอิ่มใจในเรื่องของความเป็นลูกที่ดีของพระพุทธองค์ความศรัทธาไม่เกิดขึ้นอันนี้มันเป็นเรื่องที่ใหญ่มากเลยเมื่อไรที่ศรัทธาไม่เกิดขึ้นเนี่ยหรือสรณะจริงๆไม่มีเนี่ยเมื่อนั้นเวลาที่เรามีวิกฤตเราจะเคว้งคว้างเราจะเหมือนกับว่าขาดที่พึ่งจริงๆ เ, เราจะไปพึ่งดาวไปพึ่งอะไรต่างๆเนี่ยก็เอาตัวไม่รอดนะก็ฝากไว้สั้นๆเน่ยเรียกว่าในที่สุดแล้วเนี่ย ความบริสุทธิ์ของพระธรรมมันสําคัญมากและถ้าเกิดเราไม่ต้องคิดมากแล้วก็ทำเขาเรียกว่าน้อมมันนาชีวิตได้เนี่ยเรียกได้ ว, ว่าเพียงพอแล้วก็ทําให้เรานั้นมีความสุขแล้วก็จะเชื่อมั่นแล้วก็จะเดินก้าวหน้าไปในทางนี้ได้อย่างมั่นใจแล้วก็มั่นคงแล้วก็มีความสุขแล้วก็เอาตัวเองพ้นจากวัตถุทุกได้จริงๆครับก็ขอขอบพระคุณครับ ก็ก็ก็น่าโมทน า, นาจริงๆตรงนี้มันมีตรองท้องสนามหลวงก็จะมีหมอดูมานั่งอยู่ตามต้นมะขามมีคนค น, คนหนึ่งเดินไปก็ไปได้ยินหมอดูบนวันนี้ไม่ไม่ได้เลยไม่มีใครมาดูเลยคือมีรายได้เนี่ยไอ้คนที่เดินไปก็เลยไปถามบอกว่าเอา้าทำไมไม่ดูก่อนว่ามานั่งที่ต้นมะขามนี้มันจะมีรายได้ อมอมดูมอดูไม่ได้ก็คือเป็นหมอดูใช่ไหยก็ต้องรู้ใช่ไหมทุกวันนี้มีปัญหามากตรงที่ว่ารออายได้มอดูมากขึ้นรายได้ไม่พอจ่ายที่จริงเป็นอาชีพเลยอย่งเป็นอาชีพดังที่ได้กล่าวไว้แล้วในที่พระท่านก็พูดนันเลยว่าจริงๆหลักคำสอนของพทธเจ้าเนี่ย ออถ้าต้องการอยากจะรู้อนาคตตนเองเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าสร้างเหตุแบบนี้อนาคตจะมายัางไงจะเกิดขึ้นอย่างไรฉะนั้นการอยากรู้อนาคตเนี่ยง่ายมากพระพุทธเจ้าจะบอกเรื่องเหตุกับผลเหตุกับผลถ้าทำเหตุแบบนี้อะไรจะเกิดขึ้นเช่นถ้าสร้างเหตุอย่างนี้นะจะเป็นจักระพัดในภพไหนภพหน้าเนี่ยพระุทธเจ้าก็บอกขนาดนั้นนะ หรือถ้าสร้างเหตุอย่างนี้จกบรรลุจะเป็นพุทธเจ้าหรือจะเป็นสาวกของพุทธเจ้าจะเป็นพ่อพระเจ้ า, จาอยู่ที่เหตุกับผลเนาะฉะนั้นตรงนี้ก็ชีวิตก็ไม่ต้องไปขึ้นอยู่กับดวงดาวพทธเจ้าบอกว่าดวงดาวบนท้องฟ้าจะมีประโยชน์อะไรจะมีประโยชน์อะไรเพราะดวงดาวบนท้องฟ้ามันก็คือดวงดาวบนท้องฟ้ามันจะไม่มีอิทธิพล ต, ต่อกระแสชีวิตของมนุษย์นั้นเป็นไปไม่ได้แต่กรรมที่มนุษย์ทํานี่แหละ กรรมดีหรือกรรมชั่วนี่แหละเราว่ากรรมมสกาสตาสตาในีสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นทรัพย์สมบัติของตนเองสุจริตกรรมทุจริตกรรมใช่ไหมสุจริตกรรมก็จะตามส่งเสริมกระแสะชีวิตถ้าทุจริตกรรมก็จะตามเบียดเบียนกระแสะชีวิตเงินทองรัตนาชาติต่างๆเหล่านี้อันนี้ไม่ใช่เป็นของเราที่ถาวรเป็นของชั่วคราว บ้านก็ชั่วข้าวลูกก็ชั่วข้าวสามีก็ชั่วคราวเงินทองรัตนาชาติก็ชั่วคราวเกียรติยศชื่อเสียงก็ชั่วคราวบ้างคราวลมหายใจยังไม่ขาดมันก็หมดแล้วแต่กรรมดีและกรรมชั่วนี่แหละมันเป็นของทาวรของสัตว์มันจะตามเบียดเบียนหรือตามส่งเสริมพระเจ้าจึงขับเน้นที่กรรมคือการกระทําเอาละเอาปัญหาต่อไปกลับกล่าวขอบพระคุณครับ ปีหน้าไม่แจกปฏิทินแล้วนะครับขอบพระคุณได้รับความกระจ่างจากท่านอาจารย์รุทวันนี้ชัดแจ้งเลยนะครับร เ, ลเลยเลยเลยนึกหวั่นใจว่าเดี๋ยวเครื่องแบบผู้จัดการเราก็จะเป็นสีเหลืองตลอดไปนะครับขอเชิญท่านต่อไปครับเอาปัญหาต่อไปเลยเอ่ะเวลากระชั้นชิดเอาเลย กราบตมาสการเจ้าค่ะที่จริงก็ไม่ได้มีเจตนาจะถามมาจะก็มาแกว่วงมือก็ถ้าจะถามก็ขอถามคําถามเรื่องทานนะเจ้าค่ะว่าในเรื่องทานกุศลเนี่ยที่บอกว่าให้ผลเป็นภวะ ส, สมบัติกับวิภาวะสมบัติเนี่ยอยากจะขอคําอธิบายอย่างแจ่มแจ้งคําว่าภวะ ส, สมบัติ เพราะคําว่าวิภาวะสมบัติเนี่ยคือพระนิพพานนั้นพอที่จะเข้าใจได้อ่ะเจ้าค่ะเราให้สามองค์ท่านตัดสินใจว่าองค์ไหนจะต่อปรับเสียงก่อนโยมให้เสียงมันชุ่มคอกันเดี๋ยวเสียงไม่ดีโยมไม่อยากฟังอ่าก็ขอาการพระเทเรซนะครับตอบคำถามนี้ก็คือวิวิภาวะสมบัติโยมก็บอกไปว่าคือพระ น, นิพพานไม่มีโยกก็คือเป้าหมายสูงสุด แต่ภาะวะสมบัติผูดสั้นๆก็คือสิ่งดีๆที่เราได้เจอทั้งหลายอะไรอยู่สมบัติสิ่งที่ดีงามอะไรที่ทำให้สุขใจสุขกายสบายใจทั้งหลายที่ได้เข้าถึงอะไรอยู่รวมๆก็ประมาณนี้พอได้เข้าใจได้อย่างนะไม่ไม่ค่อยเข้าใจเจ้าค่ะจะบอกว่าแค่สับ ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นเพราะว่าสมบัติโยมยังไม่ค่อยเข้าใจมีมากมากมายกว่านี้หรือเปล่าก็อาจจะเป็นสิ่งดีสิ่งที่ดีๆที่เราได้เจออาจจะไม่ใช่สิ่งของก็ได้โยมอาจจะไปคนบางคนที่แสนดีกับเราให้ไหมโยมมอบความรู้สึกดีๆให้เราหยิบยื่นประโยชน์ดีๆให้เป็นต้นก็ได้หรืออาจจะเป็นลูกที่ดี พ่อแม่ที่แสนน่ารักคอยดูแลเอาใจใส่เราอย่างนี้เป็นต้นเพื่อนที่คอยช่วยเหลือเรายามเรามีปัญหาก็อาจจะออกมาเป็นลูปแบบนี้ก็ได้โยเรือจะเรื อ, อจะเป็นสิ่งแวดล้อมดีๆโยม่โยบ้านรักบ้านราคาดีๆรถที่ไม่ค่อยเสียอย่างนี้เป็นต้น ค่าใช้จ่ายที่มังคั่งอะไรเยอะแยะมากมายโยมรวมสรุปความก็คือสิ่งดีๆที่เราได้เจอสิ่งที่ดีที่งามส่งผลให้เรารู้สึกสุขและก็สบายอย่างนี้เป็นต้นนะโยมให้เราก็ได้เข้าถึงคือปัจจัยสี่ทั้งหมดแค่นั้นเองหรือเจ้าค่ะจะมีอย่างอื่นอีกไหมเจ้าคะพระคุณเจ้าอออเอาอะไรดีนอกจากเนี้ย โยมโยมก็อยากทราบจากพระคุณเจ้าโยงหรือพระคุทเจ้ารัตนาเพิ่มเติมจะมีบ้างไหมเจ้าค่ะบนกระซิบมาบอกว่าอาจจะให้ไปถึงความเป็นเทวดาความเป็นเจ้าแห่งเทวดาความเป็นพระอินทร์โยวพระเจ้าจักรพรรดิโยม ลูกท่านหลานเธอว่ากันถอมีเชื้อดีอย่างนี้เป็นต้นก็ได้ยิ่เสียงกิติยศ อ, อเจ้าค่ะหมายถึงว่าเป็นเหตุเกิดด้วยใช่ไหมเจ้าค่ะนำเกิด ก, ก็เหตุ<อ>นี่แหละทำให้เข้าถึงความเป็นมียศ<ะ>มีบริวาร<ะ><ะ>มีอำนาจมีทรพัพย์ก็คือแบ่งออกเป็นสองส่วนก็คือนำเกิดกับเป็นส่วนของ ปัจจสี่ทั้งปวงจริงๆพูดให้เข้าเข้าใจง่ายๆก็คือสิ่งดีๆที่เราได้พบเลยโยมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นในโลกนี้ในโลกหน้าในโลกไหนๆที่เป็นสมบัติความมียศความมีพวกพ้องบริวารความมีทรัพย์ความมีชื่อเสียงอย่างนี้เป็นต้นให้หมดความไปเกิดในภูมิดีๆอย่างนี้เป็นต้นรวมความก็เอาดีเข้าตัวอย่างเดียวโยมถ้าทาดี เยอะค่ะก็เสียงดังนะโยมก็ทานกุศลเขาแบ่งทานกุศลก็เป็นผลของเขาแบ่งเป็น2อย่างนะโยมนะเมื่อกี้อย่างที่ท่านอาจารย์ที่เจ้าว่าไปก็คือถ้าตัวภาวะสมบัติก็แบ่งเป็นสิ่งที่ดีๆแต่คําว่าสิ่งที่ดีก็คือให้ผลในปัจจุบันชาติเป็นทรัพย์สินเงินทองเหล่านี้บ้านบ้านรถอะไรเหล่านี้ที่ที่เราต้องการน่ะที่เราชอบพอใจอยากอยากได้อยากอยากเข้าถึงในปัจจุบันนภ นะวันนี้อาจารย์รยสัมทบพูดใช่ไหมว่าที่เข้าถึงในเห็นได้กะตาใช้ศัพท์นี้ได้บ่าครับที่ธรรมะเวทนิยกรรมที่เห็นจะกกะตาในปัจจุบันพบเลยเห็นจะจะเห็นกะตาเลยว่ากันเถอะทำแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอีกไม่นานสาวันให้ผลเจ็ดวันให้ผลว่ากันเถอะก็มีส่วนที่จะให้ผลในภพหน้าคือเกิดเป็นพระราชาเมืองใดเมืองหนึ่งเกิดเป็น พระเจ้าจักรพรรดิซึ่งก็แล้วแต่ว่าใครเคยได้ยินข้อมูลเหล่านี้ไหมเกิดเป็นเทวดาพระอินทอะไรก็ตามหรือเกิดเป็นอะไรที่ที่มันเกินกว่าในมนุษย์มนุษย์ที่เราจะนึกออกมันก็ผ่านไปได้อีกส่วนเกินออกจากภพก็มนะีในชาตินี้ว่าไปแล้วชาติหน้าหน้าหน้าหน้ า, นาก็ว่าไปแล้วออกจากภพไปเลยก็มีไหมมีเขาเรียกวิภาะวะสมบัติคุ น, นิพานแตกออกเป็นเมื่อกี้สมบัติวิภพะสมบัติก็เป็นในยะนี้แต่เป็นสิ่งที่ ถ้าแบบที่ท่านอาจารย์อาทิตย์พูดก็คืออะไรอะไรที่เรียกว่าดีๆดีๆแล้วก็ดีดีอย่างนี้ละกันนะโยมนะอ้าวสรุปอีกทีหนึ่งอย่างนี้อ้าวขย่จะถามอะไรอีกไหมเอ่ยอ้าวเดี๋ยวถามปาัญหาต่อยอมพอจะฟังและชัดเจนเนาะประเด็นนี้เนาะออกไม่ก่อนเนาะเปิดไม่อ้ า, าอกกอวาาดางังเลยกราบนามสกุลพระคุณเจ้าเจ้าคะ่ะดิฉันนางอัจฉริยาโลชนากริเกษเป็นครูผู้สอนสังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าโรงเรียนเป็นจงรัตเจ้าคะพ่อสงสัยเกี่ยวกับบทสวดมนต์เจ้ค่ะบทสวดมนต์ที่พวกเราพวบครูเนะะี่ยค่ะชอบทำเป็นธรรมทานในหนังสือสวดมนต์นั้นจะมีบทสวดหลายบทเป็นของหลวงพ่อหลายหลวงพ่อเล ย, <c oughs> อ, ยอย่างเช่นของหลวงพ่อฤาษีดึงดําจะมีบทสวดเกี่ยวกับคาถาเงินแสนเงินล้าน แล้วก็อย่างค า, าถามงกุฎพระพุทธเจ้าซึ่งบอกว่ารัชกาลที่ห้านี้ได้ใช้บทนี้ อ, อ, อย่างนี้ค่ะพราครุณเจ้ามีมีข้อคิดเห็นยังไงอ้าวเดี๋ยวให้อา<ล>จารย์ร ม, า, มาตอบกปแล้วกันคือมันมนะีจริงๆนะเอามากะเจอเนี่ย น, นี่เป็นปัญหาใหญ่เลยเนะนี่ยก็คือในหนังสือบทสวดมนต์โดยทั่วๆไปจะมีคาถา คาถาเงินแสนคาถาเงินล้านคาถาทําให้ร่ํารวยอะไรก็แล้วแต่คาถาป้องกันพยันตรายเยอะแยะไปเสดหมดเลยเอ๊คาถาคาถาเนี่ยต้องถามนักบารีครับเพราะท่านชํานาญคาถา <c oughs> แปลว่าอะไรคาถาเนี่ยในหะ้ท่านขยายให้ให้ฟังหน่อยขอนี่มนต์คาถาเงินแสนเงินล้านอาตมาก็ไม่เคยสวยดเหมือนกัน ไม่รู้จะแปลยังไงเพราะยังไม่เคยเห็นแต่ที่สวดแล้วก็มีอยู่สองประเด็นถ้าเกิดสวดแล้วได้ก็ถือว่าโชคดีไปอ่ะเราก็ประสบความสําเร็จในการสวดนั้นแต่ถ้าสวดแล้วไม่ได้ล่ะเราก็จะไปขัดเคืองจะไปโกรธเคืองเขาว่ามันไม่จริงตามที่บอกแต่พระเจ้าก็ไม่ได้แนะนําให้ไปสวดอย่างนั้น เพราะถ้าจะสวดให้ได้ผลได้อานนี้สง์มากพระองค์ก็แนะนำพระปริศไว้พระปริศคือการสวดคาถาที่เป็นเครื่องป้องกันอย่างเช่นพระสูตรว่ามงคลละสูตรตั้งแต่อเสวนาจภารานางังปันนิตานันเจเสวนาปูชาจปูชนียานางังเอตัมมังธารมุตตมังคาถานี้ ให้ผลในปัจจุบันด้วยให้ผลในภพหน้าด้วยให้ผลตามไปยันปรินิพานด้วยแล้วอา น, นิสงค์ของพระบริศที่สวดไปสามารถแผ่ไปนะถึงแสนโกรจักรวาลอนิอนนสงค์ของพระบริศที่เราสวดเงินแสนเงินล้านนี่อาจจะได้เฉพาะชาตินี้เท่านั้นเทวดามาฟังก็เทวดาพวกลุ่มหลงด้วยกันนั่นแหละกับคนสวด ก็จะได้แค่นั้นแล้วก็ได้ความลุ่มหลงไปแต่ถ้าสวดพระปริศมีเจ็ดตำนานหรือส2บสองตำนานถ้าเราแปลด้วยผู้ฟังก็เข้าใจผู้ที่อยู่ใกล้ๆก็เข้าใจภาษาบาลีที่เราสวดเป็นภาษามาคตซึ่งใช้ในสาบเอภพภูมิทั้งเทวดาและพรหมก็เข้าใจแล้วก็มาฟังสังเกตเห็นไหมว่า เวลาที่เราสวดทุกครั้งจะมีการอัญเชิญเทวดาเพื่อให้เทวดาและพรหมในแสนกฎจักรวาลมาฟังเราจะมีเพื่อนเยอะแยะเลยนะในการที่เราสวดแต่ละครั้งอานิสงส์มากมายสามารถแผ่ขยายไปถึงแสนกฎจักรวาลแล้วลองคิดดูว่าถ้าเราอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนในการที่เราสวดแต่ละครั้งแต่ละครั้งมันจะได้มากมายขนาดไหน ลองคำนวณดูนะโยมนะเอาเอะไรน่ะนี่ปัญหาติดพั น, นปัญหาติดพันโยมอยากรู้ว่าสิบเจ็ดตำนานสิบสองตำนานเนี่ยค่ะหมายความว่ายังไงและเชิญเทวดาเนี่ยใช้บทไหนผลิตวาหรืออะไรนะสมันตาอะไรอย่างเงี้ยถามใครล่ะ <laughs> ถามว่าจะมาต่อใช่ไหม ถ้าเราจะสวดเจ็ดตำนานก็มีอยู่เจ็ดบทตั้งแต่อเสวนาเป็นต้นไปมงคลสูตรกรณียเมตสูตรรัตนสูตรอย่างนี้เป็นต้นนะในมนพิธีเล่มสีเหลืองเล่มนี้มีไม่ครบในมนพิธีจะมีไวจะมีรวบรวมไว้ทั้งเจ็ดตำนานก็คือเจ็ดบท ส่วน12องตำนานก็สิบสองบทส่วนอัญเชิญเทวดาเราก็ใช้พริตวาที่เขาได้แต่งไว้หรือสมันตานสมันตาจักวาเลสุอัตราคัจฉันตุเทวตาพวกนี้เป็นการอัญเชิญเทวดามาแสนโกวดจักรวามาประชุมกันแล้วก็มาฟังพระปริทย์ที่เราสวด ถ้าอยากจะสวดให้เพราะก็สวดเป็นสารพันยะสมันตาจักวาเลสุอัตราคชฉันตุเทวตาโอ้ยแสงกดจักรวาลมาหมดอย่างเงี้สวดเพราะๆดีไหม ได้อันนี้ส่งมากนะโยมนะเพราะพระปริษเป็นเครื่องป้องกันภัยนะที่เราสวดเป็นประจำทุกวันตัวเราก็มีความสุขพ้นจากพยันอันตรายไปไหนก็ไม่ค่อยประสบทุกประสบภัยครอบครัวก็มีความสุขคนรอบข้างก็มีความสุขอย่างนี้น่าสวดไหมน่าสวดพระปริศหรือไปสวดเงินแสนเงินล้านเอ่ออ <c oughs> ติดพันไม่ว่าเนี่ยปัญหาติดพันปัญหาเดียวกันวะไม่ค่ะเออเดีตรงนี้สรุปนิดนึงเออคาถาเนี่ยก็เลยบทขับก็คือบทขับมันเป็นทํานองคถาเนี่ยโยมทีนี้ที่ที่ยอมถามว่าเป็นคาถาเงินแสนเงินล้านเนี่ยเป็นเกณฑ์คาถาของเกจิรุ่นหลังๆคําว่าเออเกจิเนี่ยคำว่าเกจิอาจารย์เนี่ยก็แปลว่าอาจารย์บางท่าน เปรุ่นหลังๆเนี่ยบางทีก็เขียนขึ้นมาแต่บางทีไม่มีคําแปลแต่บทสวดมนเนี่ยถ้าสวดแล้วเนี่ยต้องให้รู้ความหมายการที่สวดแล้วจะได้อานิสง์หรือไม่ได้อานิสงหนึ่งผู้สวดนั้นต้องสวดถูกต้องอคัอคระอัคระพยัญชนะน่ยถูกต้องสองรู้ความหมายของบทที่สวดถึงแม้จะแปลไม่ได้ทุกคํา แต่ให้รู้ความหมายว่าบทนี้สวดแล้วเพื่อประสงค์อะไรหรือได้ในใจความนั้นว่าอย่างไรสจิตของผู้สวดต้องสวดด้วยมีความเชื่อมั่นในบทที่สวดในคุณของพระพุทธเจ้าองค์ของผู้สวดเนี่ยต้องต้องชัดสาประการเนี่ยนะองค์ของผู้สวดส่วนองค์ของผู้ฟังก็คือนั่นแหละมีความเชื่อมั่นนะมีความเชื่อมั่น ในคุณของพระรัตนตรยัยในคุณของพระเจ้าแล้วก็มีความรู้ความหมายด้วยนะแล้วก็ตั้งจิตตั้งจิตนะให้เป็นสมาธิในการสวดพิจารณาไข้ควรไปทีนี้ถ้าเรามองอย่างนี้เราจะเห็นว่าในหลักสวดบ้านเราเนี่ยสังคมชาวพุทธโ ด, ดยส่วนใหญ่เนี่ยสวดบาลีแล้วไม่รู้ความหมายเนี่ยเราก็เลยไปเอาบทที่แต่งขึ้นมาโดยไม่มีความหมายเลย แล้วก็มีเขียนบอกว่านี่นะถ้าสวดบทนี้แล้วจะทําให้ขายของดีถ้าสวดบทนี้แล้วจะทําให้อายุยืนสวดบทนี้แล้วจะได้มีเงินแสนเงินล้านเนี่ยยอมนึกอย่างนี้เนาะว่าถ้าคาถาเนี่ยเออที่ที่แต่งกันมาที่ไม่ได้เป็นไปตามพุทธพจน์นี่นะดีจริงเนี่ยถ้าตเราเนี่ยคงไม่เป็นหนี้เป็นสินนะเออเออดีแล้ว ทีนี้ทีนี้สิ่งดีๆเนี่ยมีอยู่ในพระปริษที่กำลังจะบอกไปก็คือว่าถ้าปรารถนาที่จะพ้นจากอุปสรรคอันตรายใดๆทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยนะ<ๆ>ก็บทสวดหลายๆบทเลย เ, ลเช่นมงคลสูตรที่ท่านอาจารย์หาหน้าพูดเมื่อสักครู่หรือบวชเมตตาปริศกรณียเมตสูตรเียเนะอีกเยอะหรือ ว, วัตตะปริต อย่างนี้เป็นต้นในบทสวดมนต์ทั้งหลายเหลา่านี้แต่มีข้อแม้ว่าขอให้รู้ความหมายขอให้รู้ความหมายซึ่งหนังสือเดี๋ยวนี้มีเยอะถ้าหนังสือใดที่มีคาถาพ่วงท้ายมาก็อย่าเอามาเกี่ยวข้องเพราะมันเป็นการแต่งเพิ่มเติมมาทีหลังแต่บทคาถาที่พระเจ้าแสดงไว้มีมากมายเหลือเกินในพร ะ, พระตรปิดกฉะนั้นมีเยอะถ้าต้องการ ก็ติดต่อสมเณรรถที่แบบว่าที่สวดได้ถูกต้องอะไรต่างๆเราเนี่ยนะที่ว่ามีหนังสือสวดมนต์เนี่ยและอย่างหนึ่งหนังสือมนต์วิธีในบ้านเราเนี่ยวันก่อนเอามาก็ไปเจอไอ้คนคนเขียนเนี่ยมนต์วิธีที่ขายแล้วจะร่นรวยในประเทศไทยเนี่ยอามาก็ติ่งบอกเนี่ยทำให้คนเข้าใจผิดก็เยอะทางศาลก็เยี่ยมเยี่ม มื่เนี่ยแตกมาเนี่ยบางทีเราต้องคอยแก้ไขอีกเยอะเลยเนี่ยก็ต้องคอยตอบปัญหาบางทีไปใส่คาถาอะไรไว้เยอะแยะไปเดเิดเนี่ยนะก็เลยเป็นเหตุทําให้สังคมไทยเนี่ยก็เลยไปตีดดันกันอยู่ไอ้คาถานี่แหละเอาความหวังไปอยู่กับคาถาเลยไม่ได้อยู่ด้วยปัญญาที่แท้จริงอ๋อพอจะได้ประเด็นนิดนึงนะพอดีเปนเวลากระชับมาอา๋อ ก, การธรรมสการพระคุณเจ้าที่เคารพเจ้าค่ะ ทีฉันนางทองใหม่พรมบุญเป็นแม่บ้านเจ้าค่ะตั้งใจจะมารับฟังธรรมแต่ก็มีปัญหาที่จะกราบเรียนพระคุณเจ้านิดนึงที่ยังข้องใจอยู่คือได้ฟังเรื่องทานเนี่ยค่ะคื อ, อพอเข้าใจว่าก่อนให้กําลังให้แล้วก็ให้แล้วก็พอเข้าใจถ้าได้ทําด้วยตัวเองแต่ทีนี้โยมเนี่ยคือมีความปรารถนาที่อยากจะให้สามีเนี่ยได้ได้ให้ทานบ้างเพราะว่าเขาจะไม่ค่อยสนใจเรื่องอย่างนี้ก็พยายามนะ าหาทุกๆวิธีทางค่ะให้เขาได้ให้ทานคือใส่บาตรแล้วก็เตรียมของให้เรียบร้อยตั้งจิตอธิษฐานเรียบร้อยแล้วก็บอกว่าเออเดี๋ยวปวดท้องนะ่าไปโน่นก่อนให้เขาคอยดูผ้าผ้ามาก็ใส่เลยนะอะไรอย่างเงี้ยพูดถึงแรกๆกันนะค ะ, <ร>ะจนปัจจุบันนี้เขาก็ยอมใส่ทุกวันทุกวันทีนี้อา น, นิสงส์จากการที่ที่ไม่ได้ไม่ได้ใส่บาตรด้วยด้วยมือของตัวเองอ่าเหมือนที่ที่เราเข้าใจแต่ว่าสามีเป็นคนใส่อะไรเงี้ยอา น, นิสงส์ อ, อย่างโยมอย่างเงี้ยจะได้ยังไงเจ้าคะก็เราทําอาหารหรือเปล่าทําค่ะประเด็นมันอยู่ตรงนี้โยมก็<ช>จะดูว่าได้บุญไม่ได้บุญนะจะมาเอาจากสัพพุริสถานห้ามาตอบแล้วกันโยมนะสัพพุริสถานมีห้าอย่างคือให้ด้วยศรัทธาหนึ่งนะให้ด้วยศรัทธา <c oughs> ผลคือมีทรัพย์แล้วก็มีรูปงามให้ศรัทธานะเหตุ <c oughs> คือการให้ทานพร้อมกับมีศรัทธาเชื่อมั่นในทาน จะทำให้เป็นผลคือมีทรัพย์ด้วยทรัพสมบัติมากแล้วก็มีรูปงามสองให้ด้วยความคุรุป่อ น, น้อมผลของการให้ทานด้วยความคุรุป่อ น, น้อมนั้นจะทำให้มีทรัพย์ด้วยแล้วก็มีบริวารเชื่อฟังลูกหลานจะเชื่อฟังเป็นต้นสามให้ทานตามการผลก็คือจะมีทรัพย์แล้วทรัพย์นั้นจะมาถูกเวล่ำเวลาวา่ากนเถอะเมื่ อ, อยากเมื่อเวลาไหนควรจะได้ทรัพย์อะไรทรัพย์ก็เกิดขึ้น4ให้แล้วก็ไม่หวงเห็น เราลึกนึกถึงแล้วก็ไม่เคยมาเสียดายเสียใจผลก็คือมีทรัพย์แล้วก็กล้าใช้สอยทรัพย์เป็นผู้ไม่เห็นว่าโอต้องเก็บมีทรัพย์ไว้เก็บไม่ใช่มีทรัพย์ไว้ใช้ห้าให้แล้วก็ไม่ไปอวดอ้างที่โมโออวดโว้ยฉันนะ่ยนะให้ทานเก่งฉันนะ่ะให้ทานมากคนอื่นสู้ฉันไม่ได้หรอกอย่างนี้เป็นต้น น, นะะผลก็คือเป็นผู้มีทรัพย์และทรัพย์จะไม่วอดวายด้วยไฟสัตว์ไฟน้ําท่วม อั่นดินไหวพระราชรัฐบาลลิฟตนะ์รัฐบาลยุทธสมกรตรวจอะไรก็ว่ากันไปเถอะนี่เป็นต้นนะนะจหรือลูกหลานผ่านสมบัติก็จะไม่มีสังเกตตรงนี้จะมาเอาตรงนี้มาตอบจะบอกว่าสังเกตนะเวลาเขาพูดเรื่องทานสัรพุธาทธิฐานทั้งหเขาพูดระบบฐานที่เป็นระบบความคิดที่จะสละให้แบ่งปันกับที่เป็นไปกับศรัทธาเป็นไปกับความอ่อนน้อมเป็นไปกับความฉลาดที่รู้จักเวลเวลาการไหนควรให้อะไร อันที่สี่เป็นไปกับการได้ไม่ห่วงเห็นตามหลังรู้ว่าทรัพย์นั้นมีที่มาที่ไปอย่างไรก็เป็นปัญญาอีกจนการสละการให้ทานนั้นก็ข่มมานะได้ว่าเงินเถอะซึ่งสิ่งเหล่านี้จะสังเกตได้ว่าถ้าในในหมวดนี้นะเขาเน้นตัวระบบความคิดล้วนเลยระบบความคิดระบบความเข้าใจเน้นศรัทธาเน้นความอ่อนน้อมเน้นปัญญาว่าเงินเถิด ทานมสุสุลก็เป็นกลุ่มที่ไม่โลภในวัตถุนะอย่างนี้เป็นต้นอยู่แล้วซึ่งตรงนี้ก็ต้องถามกลับไปว่าขณะที่โยมเตรียมอาหารแล้วก็เตรียมให้สามีใส่บาตรเป็นต้นนั้นโยมวางใจเป็นสัพพุริสถานทั้งหแบบนี้ได้บ้างไหมไถ้าวางใจได้ <c oughs> บุญก็ได้แต่ถ้าโ <c oughs> ยมเตรียมอาหารเหมือนคนร้านขายของแล้วกันโยมอา้าวแม่ค้าข้ากล่องห้ากองถ้าใส่บาตรแม่ค้าก็ทําำทำ แล้วก็เก็บตังค์ไม่ได้คิดอะไรเลยบุญก็ไม่เกิดอะไรเลยนะสังเกตน ะ, ะ, ะบุญไม่ได้อยู่ที่วัตถุ ก, การมคือทรัพย์สมบัติเหล่านี้แต่อยู่ที่การการที่เราเฉลียวฉล า, าดในการวางใจเป็นในการรู้สึกวางใจได้ถูกต้องนั่นเอง้ค่ะโอเคเนาะจะสาธุเจ้าค่ะ ย, ย, อยอมพอจะฟังทันไหมเนี่ยท่านอาจารย์พูดเร็วไปนิดไหมอ๋อ ฟังท่นเจ้าค่ะเข้าใจเจ้าค่ะเข้าใจดีคือในหมวดหมวดที่ท่านพูดมาสักครู่เนี่ยที่บอกว่ายอมถามว่าไม่ได้ทํากับมือใช่เจ้าค่ะใช่ไหมล่ะแต่จริงๆอยอมทําอาหารเน่ยทํากับมือโดยเองเลยใช่ไหมล่ะทำกับมือเจ้าค่ะแต่ว่าไม่ไม่ได้ใส่ให้พระสงฆ์ด้วยมือของตัวเองเท่านั้นเองเจ้าค่ะแต่ยอมจะเอามือหยิบให้สามีหรือเปล่าหยิบเจ้าค่ะเออนั่นแหละมือของยอมนั่นแหละ นั่นแหละไม่ได้ไม่ได้ใช้ส่วนอื่นหยิบนี่นั่นแหละแล้วก็ให้กับมือนั่นแหละทีนี้วิธีการให้กับมือเด็กเขาคิดอย่างนี้เราเนี่ยจะใช้มือของเรานี่แหละขวนขวายในการให้ทานจะใช้เท้าของเราใช้มือของเราใช้อัตภาพของเรานี่แหละขวนขวายในการเป็นปัจจัยแห่งการที่จะออกจากวัฏทุก์ เราจะพ้นทุกข์ได้กับการจะใช้มือนี่แหละเราไปใช้มือทําอย่างอื่นมาเยอะแล้วฉะนั้นงานนี้นี่แหละเราจะใช้มือของเราที่มีอยู่นี่แหละขวนขวายในการบ่มเพนประโยชน์ในการเจริญทานกนุศลเป็นต้นเหล่านี้เพื่อจะออกจากวัฏจทุกข์ให้ได้พอคิดอย่างนี้เบ็เสร็จก็ใช้มือของตอนเองจะไม่ขวนขวายในการทําอาหารอย่างเมื่อสักครู่ที่ท่านอาจารย์ท่านพูดนี่แหละบอกว่าระบบในทานหมวด น, นี้ท่านฝึกความคิดโดยล้วนเลยต้องคิดเป็น เหมือนกับให้ด้วยศรัทธาสตางอยู่ในใจเนี่ยเชื่อมั่นในคุณของพระรัตนตยัยเชื่อมั่นในเหตุและผลแล้วก็เรื่องความอ่อนน้อมเนี่ยให้ด้วยความเคารพเนี่ยเคารพโดเรื่องของปัญญาเรื่องกลุ่มนามธรรมที่จัดแจงกายและวาจาเป็นต้นให้เกิดความนอบน้อมแต่หนักในคุณของสงในคุณของพระรัตนตรัยแล้วก็ให้โดยสลาขาดไม่ผูกไปยึดติดแล้วก็ให้โดยการ ถูกการถูกเวลาด้วยแล้วก็ไม่กระทบตนและบุคคลอื่นใช่ไมที่ท่านขับเน้นมาเอาต่อไปอีกท่านหนึ่งอ่ะอาชิะก็ดีนะในท้ถามปัญหาอย่างนี้นะรับนภัสา ร, รค่ ะ, ะคือตั้งแต่ที่ฟังมาค่ะยมได้ยินแต่ว่าออถวายทานให้กับพระสงฆ์อะค่ะก็มองไปที่โต๊ะหมู่บูชาค่ะเกี่ยวกับ พระพุทธรูปอะค่ะที่ เ, <ม>เราทำเนี่ยทำอย่างไรเกี่ยวกับการถวายอ า, อาหารกับพระพุทธรูปทำแล้วได้ผลอย่างไรทำอย่างไรจึงจะถูกต้องค่ะถวายอาหารกับพระพุทธเจ้านะไม่งมงายหรือเปนอถือว่าไม่เป็นจะเป็นการงมงายหรือเปล่ า, าใช่ไหมไม่ใช่ค่ะ คออือจำเป็นไหมที่จะต้องทำค่ะจำเป็นไหมที่ต้องทำและทำแล้วได้ผลอย่างไรค่ะเราทำอย่างไรถึงจะถูกต้องโอทำอยังไงถึงจะถูกต้องเด้อค่ะอ่านี่มน <c oughs> จำเป็นอย่างมากที่เราจะต้องนำวัตถุสิ่งของเข้าป่าอาหารมาบูชาพระพุทธเจ้าก่อนเพราะเรากำลังจะบูชาผู้ที่ บอกเราเรื่องของการให้ทานเช่นนําข้าวปลาอาหารมาบุถ้าถ้าเราทําเสร็จแล้วเนี่ยเราก็แบ่งใส่ถ้วยใส่อะไรก็แล้วแต่ภาชนะที่พอจะวางได้ที่หิ่งพระก็มาบูชาพระพุทธเจ้าก่อนแล้วก็จะไปใส่บาตรหรือจะมาเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวก็แล้วแต่เป็นสิ่งที่ดีที่ควรทําเป็นประจาทุกวัน ก้อาหารอย่าคิดว่าพระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วพอวางไว้พระองค์ก็ไม่ได้ฉันไม่ได้เสวยแล้วอย่าไปคิดอย่างนั้นคิดว่าเร า, เรานำข้าปลาอาหารนี้มาบูชาคุณของพระพุทธเจ้าบูชาคุณของพระธรรมบูชาคุณของพระอริยสงฆ์นะนั้นไม่ใช่เฉพาะข้าวปลาอาหารอย่างเดียวด้วยจะเป็นดอกไม้ธูป เทียนโต๊ะหมู่บูชาแจกันทุกอย่างเนี่ยเป็นสิ่งที่นำมาบูชาทั้งนั้นรวมทั้งน้ําด้วยแล้วยิ่งถ้ากํากับไปทุกครั้งว่าถ้าเราไม่ได้บูชาน้ําพระพุทธเจ้าแล้วเราจะไม่กินน้ํายิ่งดีเข้าไปใหญ่นี่คือเอาชีวิตเป็นเดิมพันแล้วถ้าเราไม่ได้ถวายข้าวแก่พระพุทธเจ้าก่อนหรือเรายังไม่ได้ดูแลครอบครัว ยังไม่ได้ดูแลพ่อแม่สามีภรรยาลูกๆหรือยังไม่ได้ให้ข้าวปลาอาหารแก่ผู้อื่นก่อนเราจะไม่กินโอ้ยิ่งนี้อย่างนี้ยิ่งไปใหญ่เลยยิ่งดีไปใหญ่เลยเรียกว่าใช้ชีวิตเป็นเดิมพันแล้วส่วนผลหรืออานิสงส์ของการถวายข้าวปลาอาหารก็คือผู้ที่ให้ข้าวปลาอาหารหรือนํามาให้เพื่อการอนุเคราะห์หรือเพื่อการบูชา ผลก็คือให้ข้าวจะได้ให้ข้าวให้น้ำเนี่ยให้ข้าวปาอาหารจะได้อายุมีอายุยืนมีผิวพรรณผ่องใสได้วันนะมีสุขขาคือความสุขมีพละคือมีเรี่ยวแรงกำลังมีปฏิพานคือปัญญามีอายุอย่างไรเวลาเราให้เขาคิดถึงอายุ เราก็ให้ความรักความปรารถนาดีปรารถนาให้ผู้อื่นมีอายุยืนด้วยปรารถนาให้ตัวเองมีอายุยืนด้วยเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้ศึกษาพระธรรมได้ประพฤติ ป, ป, ปฏิบัติทําความดีให้ยืดยาวยิ่งยิ่งขึ้นไปและในการที่มีพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ขอให้เรามีอายุยืนยาวเพื่อที่จะอยู่ฟังธรรมของพระพุทธเจ้า ขอให้เรามีอายุยืนยาวเพื่อศึกษาพระธรรมเพื่อทรงจาพระธรรมเพื่อ ป, อปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี่เราขอให้เรามีอายุยืนเพื่อเพื่ออย่างนี้นะเพื่อทำคุณงามความดีมีผิวพรรณผ่องใสเพื่อเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสศรัทธาเวลาคนที่มารู้จักเราเนี่ยมาเห็นเราว่าหน้าตาดีผิวพรรณผ่องใสหน้าเข้าใกล้ เป็นคนที่มีเมตตาเราก็าจะได้อนุเคราะห์ช่วยเหลือเกือ้อกูลแบ่งปันเขาได้เห็นไหมมีความสุขสุขในที่นี้ถ้าเกี่ยวกับสุขที่จะเป็นบาดฐานแห่งการเจริญเจริญทำสีสูงขึ้นไปคือความสุขเกิดจากฌานนะได้ปฐมฌานทุติยฌ า, านตรียฌ า, านจตุฌ า, า, า, านก็แล้วแต่กลุ่มเหล่านี้เป็นความสุขที่ยั่งยืน สามารถที่จเจริญทำให้สูงขึ้นไปได้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้กาจัดกิเลสผลจากวัตทุได้ได้กำลังจะมีกำลังมากมายเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้ช่วยเหลือคนเพื่อเราจะได้ป้องกันโรคภัยไข้เจ็บเมื่อไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเราจะได้สร้างบุญเสื้อสร้างบุศล่นได้ต่อเนื่องแลนสุดท้ายถ้ามีปัญญายิ่งยิ่งดีเลยเพราะว่าปัญญา จะต้องกำกับในทุกเรื่องอยู่แล้วนะไม่ว่าจะการให้ทานคนที่ให้ทานเป็นก็เพราะมีปัญญาเนี่แหละจึงบูชาพระพุทธเจ้าถูกจึงนําของมาบูชาพระพุทธเจ้าถูกจึงคิดถูกไนงะว่าให้อะไรแล้วได้อะไรนี่เกี่ยวกับเรื่องปัญญานี่เป็นปฏิพานปฏิพานสามารถแก้ไขปัญหาไหวพริบนะในการเนี่ยทายาทโยมตอบออถามปัญหาแล้ว ตอบกันได้แสดงว่ามีปฏิพานแต่อันไหนตอบไม่ได้แสดงว่าปฏิพานไม่เฉลียวฉลาดปฏิพานไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้นี่นี่ก็เราเราจะก็ก็มามองดูว่าที่เราให้ไปเราให้ถูกต้องหรือเปล่าถ้าให้ถูกต้องน่าจะมีปฏิพานอัตมาเป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยมีปฏิพานนะอาจจะให้ไม่ถูกต้องหรืออ า, อาจจะให้เข้าวปลาอาหาร ให้ไม่มากนะเลยปฏิภาณไม่ค่อยมีนะก็ก็ได้ได้แค่นี้แหละตอบได้แค่นี้แหละนะเอาก็คือสรุปอย่างนี้นะเมื่อกี้ท่านอาจารย์มหาน้าตอบว่าทำไมจึงให้จึงต้องถวายพระเจ้าเออคืออย่างนี้ว่าให้สังเกตดูนะว่าการถวายพระเจ้าเนี่ยเขาน้อมถวายเพื่อบูชา นะบูชาคุณเยอะบูชาคุณเราเห็นของใดๆที่ดีที่สุดประนีตที่สุดเราก็ระลึกถึงคุณของพระผู้มีพระภาคยาาก็น้อมสละทีนี้ไอตัวสละจริงๆเนี่ยไม่ใช่แค่วัตถุแล้วแต่เจตนาคือจิตที่คิดน้อมจากบูชาที่มีศรัทธาคือความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหว ทีนี้พอมีศรัทธาเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวใช่ไเรามีน้าเนี่ยสมมติน้าเนี่ยแต่เวลาเอาน้ำไปสละถวายเป็นพุทธบูชาแปลว่าอะไรเลยเนี่ยข้าพเจ้าใช้น้ำนี้ถวายเป็นพุทธบูชาก็จริงแต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าน้ำก็คือเจตนาคือความตั้งใจจงใจนั่นแหละศรัทธาคือความเชื่อมั่นนั่นแหละทีนี้ทำไมถวายน้ำเป็นต้น คือเนี่ยน้ำเนี่ยมันชําระล้างร่างกายให้สะอาดแต่เป้าหมายการถวายน้ําเพื่อเป็นพุทธบูชาเนี่ยจิตใจของเราต้องการชําระอะไรกันแน่เนี่ยชำระความโลภที่ยินดีพอใจในน้ําหรือในวัตถุทั้งหลายในโลกนี้ทั้งหมดแหละก็คือความโกรธโดยมากเนี่ยเวลาเราผู้รับเนี่ยโดยมากจะไม่ให้ความชื่นใจแก่เราซักเท่าไหร่แต่เวลาเรานึกถึงพทธเจ้าเนี่ย ใจเราจะเบิกบานมากเพราะเราเชื่อมั่นไงและอย่างหนึ่งสิ่งที่จะได้ตามมาอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยที่อาจารย์มาบนาพูดว่าก็คือปัญญาทั้งหมดเหล่านี้ก็คือว่าเพราะมีปัญญาเห็นคุณรู้คุณของพระผู้มีภาคเจ้าก็น้อมในการที่จะสละวัตถุเหล่านั้นบูชาสังเกตดูนะว่าคนที่เขาสร้างพระเจดีใหญ่ๆงบประมาณตั้งหลายร้อยล้านเนี่ยาบูชาใครนะบูชาพระเจ้าประดุดังสร้างกุฏิ หรือสร้างกูดีว่าคันกดีถวายพระพุทธเจ้านั่นแหละในนั้นบรรจุพระบรมสารีริกธาตุหรือก็สร้างวัดเนี่นะถวายเป็นพุทธบูชาเห็นไหมก็ทำเอาอย่างพระเจ้าตากศิลเนี่ยใช่ไหมศิลาจารึกไปอ่านดูดิที่วัดอรุณที่กรุงเทพอันตัวพ่อชื่อว่าพญาตาก ทนทุกยากกู้ชาติพระศาสนาถวายแผ่นดินนี้ไว้เป็นพุทธบูชาแด่ศาสนาสามณะพระโคดมนี่แปลว่าอะไรพื้นแผ่นดินในยุคที่พระเจ้าตักสินเนี่ยถ้าแถวภาคใต้ น, นุงกะรันตันกะรันตนูถึงมะละกาท้าเหนือก็นุน12บสอปันนาส2บสองจิวไทยอีกฝั่งหนึ่งก็ถึงนู้นน่ะพระตบองเสียมราชเนะ สีสมพลตลอดถึงนวลเวียงจันทร์ทางประเทศเราใช่ไหมนั่นแปลว่าอะไรเนี่ยผืนแผ่นดินเนี่ยท่านยกถวายเป็นพุ่อ บ, บูชาใช่ไหมแล้วนี่ท่านถวายจริงไหมถวายจริงๆแต่เรานี่มาออกฉนโฉนดทับที่พระเจ้าไปแล้ว <c oughs> ยึดครองเอ้ยเสี่ยงเงินตายแล้วจริงไหมหมอเออเห็นไหมเราไปดูที่เนี่ยท่านถวายจริงๆรนะเนี่ย น, นะนี่ไงคนเขาเข้าใจ เขน้อมถวายไปแล้วฉะนั้นการที่เราจะเอาของสิ่งที่ยิ่งใหญ่ถวายพุทธเจ้าเป็นเรื่องที่สมควรไหมอย่างนี้สมควรหรือยังเออสมควรแล้วเอาปัญหาต่อไปเอาเลยถามเลยไม่เป็นไรถามเอาเลยถามถามเรื่องรื่ถาม เ, ามเรืเ่องเวลาเหลือนกทาไมกลัวมไม้กัเนเป็แถวเป็นแนว เห็นมาสอนหนังสือเนี Hah> ่ยโอ้โหพูดเก่งกันจังเลยอยากจะเห็นพวกเราพูดเก่งๆกันอย่างนั้นเอาใครที่พูดเก่งๆเวลาบรรยายธรรมะเอามามองเห็นมีอยู่สองคนหรือสามคนเราช่วยถามปัญหาหน่อยเถอะเอาเลยอาช่วยถามปัญหาหน่อยเอ๊ะไม่มีปัญหาสงสัยกันเลยเลยหรือหรือเป็นยังไง งั้นยอ ม, มถามแทรกนะเจ้าคะ่าะเมื่อวันพระอาจารย์พูดถึงการเข้าถึงพระรัตนาตัยะเจ้าคะ่ะพอดียมเข้ามาได้ฟังแค่ข้อเดียวเรื่องของอท่านบอกว่าทางที่ขัดขวางการเข้าถึงพระรัตนาตายก็คือความโลเลในพระราตนาตายไม่เชื่อมั่นนะคะว่ามีจริงแล้วเป็นไปได้จริงหรือเปล่าแล้วมีข้ออื่นด้วยไหมเจ้าคะ่ะกิเลสทุกตัว ราคาเอ่ยความกำหนัดเลยคืออย่างนี้คนที่เกิดความโลภในขณะนั้นก็จะตอนนั้นก็ไม่ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยกำลังเกิดความกโกรธตอนนั้นก็ไม่เข้าถึงพระรัตนตรัยกำลังเกิดความมืดบอดมัวเมาร่มห ล, ลงในขนานั้นก็เชื่อว่าไม่เคารพพระรัตนตรัยด้วยไม่เข้าถึงด้วยในขณะที่เกิดทิฏฐิเห็นผิดเกิดลังเลสงสยัยนะเกิดความเศร้าหมองเ yep. กิดถีนามิทะง่วงเหงาหาวนอน ตอนนั้นก็ไม่เคารพพระราตนาไตรอีกเยอะเลยหลายตัวเลยนั้นกิเลสทั้งหลายเหล่านั้นก็อย่าให้ไม่เกิดในใจเพราะตอนนั้นจะทําให้เราไม่ได้เข้าถึงพระราตนาไตรอันนั้นเป็นตัวสกัดถ้าเราเป็นตัวสกัดกระแสชีวิตของเราทําให้ติดขัดทําให้เข้าถึงพระราตนาไตรไม่ได้อันนี้ประดี๋ยดีเป็นปัญหาที่จะมาตอบนั่นอา้อาวอ้าวอีกอีคออีกอหนึ่งละ ครับนวัชการพระอาจารย์ครับผมนายบรนวิทสมปองขอกลับเรียนถามอีกครั้งคิดว่าจะเป็นประโยชน์แก่ครูทุกคนที่สอนหนังสือนะครับเพราะว่าระดับปฐมเนี่ยจะมีเรื่องของพุทธประวัตินะครับทีนี้อยากขอทราบเทคนิคของพระอาจารย์นะครับที่จะให้เด็กเชื่อได้อย่างไงนะครับว่าประเด็นที่หนึ่งพระพุทธเจ้ามีจริงนะครับและเรื่องของพุทธประวัติเนี่ย เด็กๆบางคนเขาก็บอกว่าเดินได้เจดเกจริงหรือเปล่ปาอย่างเงี้ยนะครับหรือเรื่องราวต่างๆเียเราจะมีเทคนิคอย่างไงเพื่อเป็นเสริมเสริมเข้ามาในสิ่งที่ท่านมีประสบการณ์ในประเทศอินเดียนะครับหรือเรื่องราวทางพระพุทธศาสนาครับกับครับกับข อ, ขอถามตรงนี้นนนครับถามอาจารย์เอกนิดนึงโยมว่าเมื่อกี้โยมถามอะไ ร, รกําลังถามว่า ปัญหานี้เคยแช่ตอบอยู่ส่งใบกันใบส่งใบกันมากลับมาส่งให้แตมาพอาดีเลยแตมาอ้อาตายเราไม่ได้ฟังครับคือเรื่องพุทธประวัตินะครับประเด็นที่หนึ่ง เ, เราเราจะสร้างศรัทธาให้นักเรียนตัวเล็กๆอย่างไงให้เขาเชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือในพุทธประวัติบางตอนซึ่งอาจจะเป็นปาฏิหาริย์หรือเป็นเรื่องราวเช่นการเดินเจดเก้าการห่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่ง มีเทคนิคยังไงที่จะตอบเด็กใช่ไหมโยมครับเด็กประถมครับผมเด็กประถมนะถึงไม่เกินป .6 เนาะครับไม่เกินป .6 ไอ้ไอ้มดแดงมันแปลงร่างได้ยังไงซูเปอร์แมนห่อได้ยังไงเอ้ยทำไมเองเชื่อล่ะไอ้หนูน้อยไอ้เองเชื่อได้งไงไญี่ปุ่นนะไอ้มดเ็ทั้งหลายเนี่ยหรือไอกระบวนการอะไรนะเขามีกระบวนการอะไรบ้างยุคนี้อ่ออะไรนะเลกกาดเเจอร์เลกกาดเลเจอร์กร <enger> <gar> <enger> ะโดดแปลงร่างกรนะทุ้ม ห, ห้ามมห้า เออทำไมเองเชื่อเออไอ้พวกนี้นี่โดนเขาหลอกละเชื่อไ อ, อ้เรื่องจริงไม่เชื่ออย่างนี้ก่อนนะโยมนะเริ่มเริ่มอย่างนี้ก่อนเลยตัว เ, เด็กมันจังมึนเหมือนกันเออแปลกนะทาไมเราเชื่อเรื่องโกหกชัดๆเขาก็บอกเขาไม่ได้บอกว่ามันจริงนะเนี่ยอะไรรนเจอร์ทั้งหลายเนี่ยขบวนการซิงตองレンเจอร์ทั้งหลายเนี่ยมันไม่ได้มีจริงนะเด็กแต่เด็กก็ยังจะเชื่อจะแปลงร่างกันอยู่นั่นแนหะทําไมหนูเชื่อล่ะอีกเป็นต้นนะผมกลับมาอีก แล้วทำไมผู้เจ้าผู้เจ้าทำไมมีจริงอันนี้เริ่มเป็นเหตุเป็นผลแล้วนะโยมนะอันนี้เกิดไปถามเจอผู้ใหญ่บ้างหรือนะ mm. เขามีในไม่ที่หนึ่งเขาตอบว่าอย่างนี้โยมหนูหนูหรือว่าผู้ใหญ่ก็ได้นะโยมนะพ่อเธอมีไหมมีไหมโยมใครๆก็ต้องบอกว่ามีใช่ไหมโยมแล้วปู่เธอพ่อของพ่อมีไหมมีเธอเคยเห็นพ่อของพ่อไหม เคย อ, อันนี้จะเคยเนาะงั้นถามไปอีกว่าพ่อของพ่อของพ่อนะี่ะมีไหมมีไหมแล้วถ้าถามพวกโยมก็ได้โยมเคยเห็นไหมแล้วพ่อของพ่อของพ่อไปอีกนะมีไห ม, มถอยไปอีกสิบรุ่นร้อยรุ่นมีไห ม, มล้านรุ่นที่แล้วมีไหมแล้วยอมเคยเห็นไหม แล้วโยมรู้ได้ไงมีจริงบอกกันต่อๆกันมาฉันใดก็ฉันนั้นถ้าพูดุทธเจ้าไม่มีจริงอาตมาจะานั่งอยู่นี้ได้ไงจริงไหมเออนี่ไงถ้ามีใครสงสัยในที่นี้จะได้ตอบคำแก้สงสัยไปเลยไม่ต้องสงสัยแม่ถ้าพูดุทธเจ้าไม่มีจริงพระหัวโล้นจะนั่งอยู่นี้ได้ไงใช่ไหมโยมนะอย่างอาตมาเออกนหัวอย่างนี้นะ ไม่มีแล้วโยมเป็นไปไม่ได้พระพุทธเจ้ามีจริงส่วนประเด็นประเด็นว่าทำไมพระเจ้าเดินได้เจ็ดเก้าว่องันเป็นต้นอาจจะถามเทียบเคียงได้ว่าเออโยมเคยเห็นคนบางคนไหมเหมื่อหลายปีก่อนนู้นนะตอนต่อมายังไม่บวชเคยมีคนคนหนึ่งเป็นฝรั่งมั้งขายอะไรไม่รู้ในรายการทีวีไดรเล็กสักอย่างมั้งนะประมาณว่าเทคนิคการอ่านหนังสือเร็วแลวจาได้หมดเลยเคยได้ยินมโยมเป็นฝรั่งอะ หายประมาณสิบกว่าสิบปีที่แล้วมั้งหรือสิบสิเศษชื่ออะไรกันรู้โยมคงได้เคยดูโทรทัศน์เหมือนนรตมาเหมือนกันเนาะไอ้เรื่องเนี้ยคุณคุ้นไหมมีชื่ออะไรนะโยมมีใครจาได้จอร์จนะเขาจะมีนะโยมนะว่าว่าฝรั่งคนนึงเนี่ยเขาสามารถอ่านหนังสือเร็วมากเลยปืดปืดปืดปืดปืดแป๊บเดียวหยิบมาปุ๊บปืดปืดปืดปืมือหนังสือเอานิ้วชี้อย่างเงี้ยแล้วก็ปิดแล้วก็ส่งหนังสือให้ให้ถามก็ตอบ ถามได้ถามก็เลยเขาตอบได้แล้วเขาขายด้วยขายเทคนิควาเงินเถอะโยมทำอย่างนั้นได้ไหมใครทำอย่างนี้ได้บ้างเอาภาษาไทยก็ได้เนี่ยเดี๋ยวให้โยมพิกพิกพิ ก, พ ก, พกแล้วจะมาจะถามโยมก็ตอบว่าโยมทำไม่ได้แล้วจะมาเขาเชื่อว่าใครไปซื้อเทคนิคแกก็อาจจะทำไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมโยมแล้วทำไมไอ้อย่างนี้ที่ผิดมนุษย์นิดๆมีจริงไหม มีหรืออะไรนะโยมนะฝรั่งช่วงที่แล้วมีเหตุการณ์เลยนะจับช้อนเข้ามาโยกโยกโยกแล้วช้อนงอฟุ๊บลงไปมีไมโยมมีใช่ไ้มอันนั้นก็เกินเกินความสามารถมนุษย์ยุคนี้โดยส่วนใหญ่เหมือนกันแต่ทำไมมีละ่ะนะคนมีความสามารถพิเศษเกินมนุษย์มันมีได้ว่าเงินเถอะแต่พระโพธิสัตว์หรือพุธเจ้าของเรานะ่ะ ตอนนี้ยังไม่เป็นพุทธเจนะ้าน่ะที่เขามีความสามารถพิเศษมากๆหลายหายอย่างนะ่ะมันไม่ข่มเขือด้วยนะถ้าอย่างที่มกิ้รยกมามันข่มเขือเหมือนเดวิดคัพเปอร์ฟิลหรือเปล่าแสดงเล่นกลได้อย่างนั้นนะ่ะเก่งกว่าพวกโยมไหมในการเสกของหายของอันนี้โยมไม่มีความสามารถนั้นเหมือนกันใช่ไหมโยมแต่พวกนั้นมันข่มเขือนะมันหาที่มาที่ไปไม่ได้แต่ถ้าในาศาสนาพุทธเรา อยากรู้อันนี้ตอบยาวเกินไปไม่ตอบลองเข้ามาดูศึกษาในพระใบปิดกดูว่าเขาทำกันยังไงไม่ใช่แต่พระพุทธเจ้าจะเดินเจ็ดเก้ามีไม่ดีชาติหน้าของพวกโยมอาจจะมีอะไรพิเศษพิเศษกว่า น, นี้เยอะแยะจะไม่หมดเพราะศาสนาเราสอนเรื่องการสร้างเหตุไปเจอผลแล้วก็ไม่เคยหวงว่าพวกโยมจะเป็นพระพุทธเจ้าได้มันน่าตื่นเต้นตรงนี้โยมนโยมนะ โยมก็จะเป็นพุทธเจ้าได้ถ้าปาถณากล้าไหมโยม <c oughs> นะก็คือในศาสนาของเราคำสอนของศาสนาเราบอกเรื่องเหตุเพราะฉะนั้นไอการเดินเจ็ดก้าวได้เนี่ยถ้าไปเรียนรู้เรื่องระบบความเป็นไปของการพัฒนาความคิดแล้วมันตามต่อพบชาติยังไงเปลี่ยนพบชาติถึงหนักอันนี้ยังน้อยยังมีคั้นเลือกที่เกิดได้เลือกได้ว่าจะเกิดเป็นตัวอะไรดี เป็นเทวดาแบบไหนดีหลังจากนั้นวางแผนไปเลยไม่ใช่วางแผนสาวันเที่ยวนะวางแผนสามชาติสิบชาติร้อยชา ต, ชาติล้านชาติวางแผนก็เป็นเหมือนเรื่องเหมือนเรื่องเป็นไปไม่ได้ะเหมือนเรื่องวางแผนไปเที่ยวเลยโยมแต่โยมวางแผนไปเที่ยวได้ใช่ไหมโยมในที่นี้ไม่มีใครวางแผนพบหน้าได้ไม่ใช่มีอะไรนะโยม น, นะเพราะเราไม่ได้ศึกษาคําสอนอย่างจริงจังถ้าศึกษาอย่างจริงจังรู้และเข้าใจมัน สอนอนัตตาก็จริงสอนว่าควบคุมไม่ได้ก็จริงแต่พอรู้ว่าควบคุมไม่ได้มันกลายเป็นเหมือนเหมือนว่าเหมือนว่าอะไรก็อยู่ในมือเราหมดแต่จริงมันคุมไม่ได้นะแต่จัดแจงได้หมดเลยเหมือนโยมว่าเด็กๆโยมไม่คุมเขาได้จริงไหมไปสั่งเขาได้จริงไหมไม่ได้อนะแต่โยมสามารถตกเข้าหลักการของโยมได้แล้วก็เหมือนโยมคุมเขาได้หมดแต่จริงคุมไม่ได้นะชั้นใดก็ชั้นนั้น คนรู้เรื่องอนาตาัตตากิ่มากรู้เรื่องหลักการแห่งความเป็นอนัตตาม่มีตัวตนแต่สิ่งทั้งหลายเมื่อได้เหตุปัจจัยแล้วเกิดขึ้นอย่างไรอย่างไรยิ่งรู้เรื่องนี้มากเท่าไหร่เมื่อกี้อะไรนะรู้ฟ้ารู้ดินใช่ไหมคนยิ่งรู้เรื่องอย่างนี้เป็นต้นไม่ใช่รู้ฟ้ารู้ดินแล้วเราก็จะเป็นไปตามฟ้าดินแล้วเมื่อกี้ยังกระซิบท่านเอกอาจารย์เอกให้พูดอยู่เลยว่าจะกลับการกลายเป็นว่าตัวเราเนี่ยแหละ จะเป็นเหตุให้ฟ้าดินมันเปียกตามเรามันไม่ใช่เราไปเปียกตามฟ้าดินฟ้าดินมีปัจจัยองค์ประกอบทําให้เราเป็นอย่างงานอย่างนี้อย่างนั้นไม่ใช่อ่ะถ้าใครศึกษาคําสอนมากๆเข้าจะกลายเป็นว่าเราจะเป็นแกนกลางให้ฟ้าดินสิ่งแวดล้อมทั้งหมดมันหมุนไปเพราะบาปบุญของเราเท่กว่าไหมโยอพอแล้วเดี๋ยวโมมากเอเอปัญหา ปัญหาเกี่ยวเรื่องตรงนี้ยาว่าแต่ยาว่าแต่เด็กสงสัยเลยผู้ใหญ่ก็สงสัยกรณีที่เรื่องอิทธิปฏิหารเรื่องพระเจ้าเดินได้ตอนเอามาไปอินเดียเนี่ย mm. ก็ไปเจ อ, อเกี่ยวกับเหล่าที่อยู่หมออยุมติชนกอวุโสแล้วเ็กท่านเอ ยองคนนี้ทำหน้าที่เป็นทูต ด, ด้วยมารยาหลังเนี่ยเป็นทูตต่างประเทศด้วยก็ถูกฝรั่งถามมาแล้วก็มาถามอามาเนี่ยอามาใช้เวลาตอบอยู่ประมาณเกือบชั่วโมงพอตอบเสร็จแ็บอกว่าอามาก็เลยชี้เห็นว่าระบบ ก, การศึกษาในบ้านเราเนี่ยเราเอาผลมาศึกษาคือเริ่มต้นก็คือเจ้าชายสิทธัตถะเป็นลูกของพระเจ้าสุโธทนาอย่างนี้เป็นต้น เราก็ผลมาศึกษาไงแล้วต่อมาก็ได้ประสูตรจากพระคันของนางสรีมหามายาเดินได้เจดเก้าแต่เพระเออเราไม่ไปบอกเหตุในพระตรปิดกเนี่ยพระเจ้ากล่าวเรื่องเหตุในการสร้างบารมีไว้เนี่ยว่าทำอย่างไรจึงมีความพิเศษเหนือมนุษยธรรมดานี่บอกเขาไว้เนี่ยเฉพาะในพระตรปิกเนี่ยห้าร้อยห้าสิบชาติ แล้วก็เหตุที่ทรงกระทา ม, มาอย่างยาวไกลเนี่ยถ้าอุปมาก็คือว่าในโลกใบนี้ยะโลกใบนี้มเมล็ดหินมเมล็ดกรวดเนี่ยที่หลอมมาเป็นโลกใบนี้ทั้งใบนเนี่ยนถ้าเราหยิบมเมล็ดกรวดในโลกใบนี้มาสักห้าร้อยห้าสิบเม็ดเม็ดเล็กๆ เ, เ, เนี่ยนั่นแหละคือพระชาติที่พุรธเจ้าได้สร้างบารมีมาหยิบเอาเม็ดที่สาคัญสำคัญมายกตัวอย่างแสดง ว่าพราะองค์สร้างเหตุอะไรมาแต่มเมล็ดหินมเมล็ด ก, กรวดที่ปั้นเป็นโลกใบนี้ทั้งหมดนั่นคือพระชาติที่ยังไม่ได้นำมากล่าวแต่พอก่าวเพียงห้าอยห้าสิบชาตินี้ก็รู้แล้วว่าเออทรงสร้างทานบา ร, รมีอย่างไรศีลอย่างไรเนคขมะปัญญาเป็นต้นอย่างไ ร, ญญงไรทรงสั่งสมคุณธรรมอย่างไรจึงได้มีความวิจิตพิสดารจึงได้มีความพิเศษเกินมนุษย์อันนี้แปลว่าผล ฉะนั้นเผลอในระบบการศึกษาบ้านเราเนี่ยเราเอาผลมากล่าวพอเราจะฉายพุทธประวัติปุ๊บเราก็เอาผลมาเลยแต่ถ้าเราลองบอกเหตุสิทำเหตุอย่างนี้ผลจะได้อย่างนี้ทำเหตุอย่างนี้นผลจะได้อย่างเงี้ยถ้าชี้เหตุชี้ผลเสียปัญหาตรงนี้ไม่มีเลยสรุปก็คือว่าของเราเอามาท่อนสุดท้ายเหมือนเราดูภาพยนตร์เนี่ยเราก็เลยไม่รู้เหตุผลว่า เอาตอนสุดท้ายทั้งๆที่ภาพยนตร์เรื่องนี้มีตั้งเป็นพันๆตอนเราตอนสุดท้ายมามาเปิดคนดูก็งงก็สงสัยกันอยู่นั่นเลยแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ไม่รู้ว่าเออตอนหนึ่งตอนสองมาอย่างไงเป็นต้นเรองนี้ก็เหมือนกันการการศักยภาพในการบําเพ็ญบรารมีของพระพุทธเจ้านั้นเหตุผลก็คือว่าถ้าเรารู้เหตุที่ทรงทํามาเรื่องผลแค่นี้เป็นเรื่องธรรมดา พอจะบอกเนาะเออเอากลับขอบพระคุณครับคื อ, อคือคือประเด็นก็คือจะต้องปลูกศรัทธาให้เด็กเชื่อนะครับว่าอันดับแรกคือเชื่อศาสดาของเรามีจริงนะครับแล้วก็เป็นผู้วิเศษจริงแต่แต่ศรัทธาที่ปลูกที่ให้เชื่อนั้นต้องเป้าหมายเพื่อพัฒนาไปสู่อะไรสู่ปัญญานะ่ยครับผมไม่ใช่ไปติดตันอยู่แค่ศรัทธานะ เพรเพราะศัทธ า, าอย่างเดียวแล้วไม่สามารถพัฒนาไปสู่ปัญญาได้เนี่ยอันนี้นี่จะมีปัญหาการบรรลุจะเกิดขึ้นไม่ได้การพ้นทุกข์จะเกิดขึ้นไม่ได้การแก้ปัญหาของชีวิตจริงๆก็จะเกิดขึ้นไม่ได้เพราะจริงๆแล้วการที่จะรู้เหตุรู้ผลจริงๆมันชื่อปัญญาใช่ไหมโยมเออตรงเนี้ยศรัทธานั้นถูกต้องแล้วถ้าไม่มีเนี่ยก็จะไม่น้อมมาศึกษาฉะนั้นพระเจ้าว่ า, วาเออสัตว์ปล่อยศรัทธามาที่เรานะ ถ้าปล่อยศรัทธามาที่เราแล้วเธอจะได้มาฟังก็คือมาศึกษาเนี่ยเองจะได้รู้เหตุและผลที่จริงประเด็นทุกวันเนี่ยเพราะคนไม่ศรัทธาพระเจ้าจึงไม่น้อมมาฟังคําสอนพอไม่น้อมมาฟังคําสอนก็เลยไม่ได้ปัญญาไอ้ตรงนี้แหละประเด็นมันก็เลยมาตั้งท่าอยู่นอกวงกันอยู่นี่แหละคือมานั่งสงสัยอยู่นอกวงศาสนาไม่เอาตอนเองเข้าไปเนี่ยถ้าเอาตอนเองเข้าไปเสร็จไปศึกษาไปรับข้อมูลที่ถูกต้องเสีย ปัญหาเหล่านี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาเล ย, ยทีนี้ก็อยู่ที่ครูโรงเรียนมันจงรัดก็อย่าตั้งกาดไว้สูงนะแล้วก็อย่าวิ่งอย่าวิ่งเรียบอย่าวิ่งเรียบอะไรอย่าวิ่งเรียบขอบสาบก็โดดลงไปอาบน้ําเลยดีไหมก็คือโดดเข้ามาหาคําสอนแล้วก็ศึกษาซะเลยแล้วเราก็จะเห็นว่าโอ้โหผู้ไดเจ้าเนี่ยมีคนจริงๆที่เราบอกผู้ไเจ้าวิเศษเนี่ยเรื่องวิเศษยังไง ก็ศึกษาเพราะคําสอนของพทะเจ้านี่ยแหละเราจะเห็นความวิจิตและตั้งที่อยากจะบอกพวกเราคือว่าจริงๆแล้วเรื่องฤทธิ์เนี่ยไม่น่าสัศจรรเพราะฤทธิ์เนี่ยแสดงไปแสดงมาแล้วดูแล้วมันกร่อยสังเกตดูนะฮะเรื่องการแสดงฤทธิ์เนี่ยถ้าใครจะเหาะได้ถ้าใครจะหายตัวได้ถ้าใครจะดำดินได้เนี่ยนะเข้านะเข้าเอ๊อยากจะดูอย่างอื่นอีก แต่เรื่องเหตุผลเรื่องคําสอนเรื่องความวิจิตว่าเออเนี่ยให้ทานแบบนี้ได้รับผลอย่างนี้ให้ทานอย่างนี้ได้รับผลอย่างนี้อันนี้วิจิตวิจิตพิสดารมากน่าศึกษาแล้วน่าตื่นเต้นกว่าเยอะฉะนั้นเนื้อหาของพระธรรมเนะี่ยน่าตื่นเต้นกว่าเรื่องฤทธิ์เรื่องฤทธิ์นี่เป็นองค์ประกอบนะพระเจ้าไม่ได้ให้ความสําคัญอะไรเยอะนะแต่สําหรับบุคคลที่มีตันมีทิฏฐิแรงๆเนี่ยพระเจ้าก็ใช้ปล่าแต่เป้าหมายเพื่อให้เข้าถึงเหตุผล ใช่ไหมจริงๆอยู่แค่ตรงนั้นเอาเลยเอาต่อสัตุครับเชิญท่านต่อไปเดินหน้าหนีไม่กันหมดเลยเอาเอาเลยถามเลยท่านได้โอกาสาถามยากๆก็ได้โยมไม่กลัวยากถามแล้วคนอื่นได้ประโยชน์ด้วยนะช่วยกันถามดีไหมเออไ ด, ได้ประโยชน์ได้เยอะเลย ขอบคุณในความเมตตาครับวันนี้ต้องการรับนะครับอยากรับวันนี้ต้องการรับอย่างเดียวขอบคุณในความเมตตาครับน้ำเดียนของคุณหมอครับผมกลับนักการพระอาจารย์ครับ อ, อ, อยากกลับเรียนถามเรื่องของสังฆทานนะครับว่าที่ ถูกต้องต้องทำอย่างไรวางจิตอย่างไรและทําไมสังฆทานจึงมีโผลมากมีอนิสงส์มากมีผลมากเอ อ, อ, อเอาท่านอยากถามเรื่องสังฆทานว่าต่างจากปุคิกทานอย่างไรทําไมให้แบบประเภทสังฆทานยังมีผลมากและมีอนิสงส์มากอ่ะก่อนนี้มลทิสังฆทานคนปัจจุบันก็คิดว่าเป็นถัง เดี๋ยนี้คิดว่าเป็นถังแล้วสังฆทานแล้วก็นำไปวัดนะแล้วต้องนิมนต์พระสี่รูปด้วยเป็นความลาบากของพระมากเพราะว่าพระติดเรือนหนังสือโยมก็พยายามจะหาพระให้ได้สี่รูปนะพยายามไปนิมนต์คราวนี้ถ้าเกิดเราเข้าใจเรื่องสังฆทานคำว่าสังฆทานคือถวายแก่สงคําว่าสง์ในที่นี้เนี่ยท่านก็แบ่งเป็น 7จประการได้แก่ให้ทานแก่พระภิกษุสงฆ์แล้วก็ภิกษุณีสงฆ์โดยมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานอันนี้ต้องตัดออกให้ทานแก่พระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานให้ทานแก่ภิกษุณีสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน ให้ทานแก่ภิกษุกกก ส, สงฆ์อันนั้นหน้าอะไรนะ93หน้า93โยงไปเปิดดูนะจะได้ไม่ต้องไล่เดี๋ยวไล่ไม่ครบคราวนี้ในปัจจุบันเหลือสามชนิดก็คือให้ทานแก่พระภิกษุก ส, สงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขพ ร, ระองค์ก็บอกว่า สามารถที่จะใช้ให้พระพุทธรูปมาเป็นประธานแทนพระองค์ได้เพราะพระองค์ตรัสไว้ว่าพระพุทธรูปเป็นอุเทสกะเจดีเป็นสิ่งที่เป็นประธานเป็นประมุขเป็นตัวแทนของพระองค์ได้และให้ทานแก่พระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานนี่อย่างหนึ่งให้ทานแก่พระภิกษุสงฆ์อย่างหนึ่งและให้ทานแก่บุคคลผู้สงส่งมา อย่างเช่นเป็นพระภิกษุหนึ่งรูปที่เดินบิณฑบาตมานั่นเป็นตัวแทนของสงหรือสัมมเนนผู้เป็นตัวแทนของสงทยมเลือกให้สัมมเนนนะแล้วก็จอะจงไปว่าสัมมาเนรูปนี้นะสงส่งมาเป็นตัวแทนของสงยิ่งขยายไปไปอีกว่าเป็นตัวแทนของสงทั่วสากลจักรวาล อย่างนี้เรียกว่าให้แก่สงโดยที่เราให้แก่สัมเณีรูปนั้นหรือจะเป็นผู้ที่จะบวชผู้ที่จะบวชก็คือเป็นเาเรียกว่านาค ก, ก่อนจะบวชอย่างนี้ก็ให้เป็นตัวแทนของสงได้แต่มีข้อแม้อยู่อย่างหนึ่งว่าการให้แก่สงนี้ต้องมีความยำเกรงก็คือสามารถทําใจให้เสมอเหมือนว่า เราได้ให้แก่พระภิกษุสงฆ์นะโดยมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานต้องทำใจให้เสมอเหมือนนั้นหรือให้แก่สัมมาเนนนะถ้าเราเจอสัมมาเนนหรือเรานิมนต์สงนิมนต์พระที่มาจากสงเนี่ยเรานิมนต์แล้วได้สามมาเนนเราก็ไม่เสียใจ หรือได้พระเถระผู้มีพันษามากผู้มีคุณอาวุิเราก็ไม่ดีใจคือให้เรามีความยำเกรงในสงว่าไม่ว่าจะได้ผู้ใดมาก็ตามแต่สงสง่งมาหรือเป็นตัวแทนของสงนี่เรียกว่ายำยำเกรงมีความยำเกรงในสงก็จะได้ผลมากได้อ น, นิสงมากนี่เรียกว่าเป็นสังฆทานก็อย่างที่ท่านอาจารย์เอกบอกไว้นิยโยมนะการถวายสังฆทานก็อย่างที่มีคีบอกว่า การถวายสังฆทานไม่ใช่เรื่องประเพริไม่ใช่เรื่องรูปแบบสรุปอย่างนี้แล้วกันนะการถวายสังฆทานไม่ใช่เรื่องรูปแบบแต่เป็นเรื่องการวางใจของเราว่าระวางใจได้ไหมยุคนี้พวกเราก็คุ้นเคยกับการนิมนต์พระภิสุสงฆ์นะสามรูปห้ารูปเจ็ดรูปเก้ารูปเป็นต้นไปที่บ้านแล้วก็บอกว่าเราจะเลี้ยงทําบุญพระทำบุญแก่พระพิสุสงฆ์นี้เป็นต้นก็อยู่ในข้อที่มิจฉานเนียร์พูดไปก็คือข้อที่6การไปขอ ตัวแทนส่งมาแล้วก็ถวายนั่นนั่นเองก็ขอมาอาจจะเป็นรูปเดียวก็ได้จะเป็นพระหรือเป็นเนนที่บวชในวันนั้นก็ได้ถือว่าเป็นสงทั้งหมดสังเกตตรงนี้นะสังเกตตรงนี้ว่าขอมาเพียงรูปเดียวแล้วเราวางใจว่านี้คือสงวางใจยังไงเปรียบประดุจว่าท่านเป็นเป็นสังฆทูตเหมือนทูตแห่งประเทศไทยโยมต้องมีการต้อนรับแบบแบบเป็นเรื่องเป็นราวไหมโยมเวลาเราถ้ามีทูตเอกอัครราชทูตแห่งประเทศไทย อันนี้ก็เป็นเอกอักษรทูตแห่งสงฆ์ว่ากันเถอะนิมนต์มารูปเดียวเลยว่าอย่างนี้เป็นต้นนะนะแล้วเราวางใจได้ไหมสมมตุตินิมนต์เน้นน้อยไปแล้วกันเน้นไหนดีชอบเน้นชื่อนี้เอดานิมนต์เนนเอดาไปนะโอ้เนเอดามาปุ๊บแล้วก็ปูอย่างดีนั่งดีพวกคุณเจ้าเจ้าข้าโปรดนั่งตรงนี้พวกคุณเ่าขอรับนั่งตรงนี้ครับขอสงจบงอนุเคราะห์แข่ข้าพระเจ้าไม่ได้เห็นสมณีนเพิ่พงบวชไม่นานเช่นสมณีนเอดา เป็นแค่เนนเล็กน้อยไปเห็นประดุษประดุษสังคะประดุษหมู่พิสุสงเป็นอันมากมาเลยวางใจวางใจเหมือนพระอรหันต์มาถึงบ้านเราแล้ ว, ลวต่อให้เป็นสามเนนน้อยยังไม่รู้อะไรอาจจะกินไปไม่เอาเอดาละกันเปลี่ยนคนเป็นสามเนนใครก็ได้สักคนหนึ่งกินไปหัวเลาะไปกินไปเลอไปกินไปเคี้ยงทิ้งไปอย่างนี้เป็นต้นก็ไม่รู้สึกหวั่นไหวใจเลยนี่นี่ ส่งของฉันในอจัจฉายัางบอกอีกว่าถ้าได้พระวิษส่สงผู้ไม่เงียพึ่ตัวไม่ดีมาว่า ง, งั้นเถอะเราต้อนรับอย่างดีนะเขาเล่า เ, าเาอย่างนี้นะในนั้นเขาบอกต้อนรับอย่างดีพอกลับไปก็ส่งกลับอย่างดีเลยนะพอท่านเดินมาเองใหม่เดินมาแล้วมาบอกว่าโยมโย ม, ยมจะมาต้องการจอบเออโยมโยมคนที่ตอนแรกนี่มณพระมาหนึ่งรูปแล้วก็ดูแลอย่างดีเป็นไงโยมเนี่ยอัจฉาบอกนะโยมก็เลยเอาเท้าเตะ จบแล้ววอ่ะอยากได้เข้าไปคนที่เห็นเลยตกใจเฮ้ยเมื่อเช้าไม่เป็นอย่างงี้นี่เมื่อเช้านิมนต์มาเนี่ยโอ้โหเคารบอ่อนน้อมอย่างดีตอนหลังทําไมเขาเดินกลับมาใหม่อีกรอบทำไมเอาจ่อเอ า, อเอาท้าวเตะจอบเคลียจอบไห้เอา้าวขายืมจอบแล้วเอาไปสิเพราะอะไรในตรงนั้นเขาบอกว่าเพราะเมื่อเช้ามาในฐานะแห่งสงฆ์แต่ช่วงบ่ายมาในฐานะส่วนตัวส่วนตัวฉันไม่ชอบเธอเพราะเธอเป็นพระภิกษุไม่น่ารักไม่รักษาศีล ฉันรู้จากเธอแต่ถ้าเธอมาในฐานะเป็นสงฉันต้อนรับแบบสุดชีวิตเอออย่างนี้เป็นต้นนะโยมตรงนี้แหละวางยากวางไม่ยากโยมใจแบบนี้วางยากนนึงนะสงเวลานิมนต์สงมาแล้วก็ถวายมันยากตอนเราต้องชำระใจชำระใจให้ให้เห็นอย่างนี้ที่ได้สังเกตรตรงนี้นะก็ตอบคำถามของโยมระดับหนึ่งแล้วก็หนังสือเล่มนี้เขียนบอกไว้อยู่ นะเขียนบอกว่าอยู่ยมลองไปอ่านดูนะก็จะได้ข้อมูลนั่นเองพอพอจะชัดเจนขึ้นนะยอมนะแต่ตอนสุดท้ายเนะี่ยถ้าหากเป็นพระที่ไม่มีศีลมามาขอยืมของยอมอย่าใช้เท้าเตะให้ท่าน <c oughs> นี่นี้นี่อันนี้ไม่ดีนั้นอาตถาท่านยกท่านยกมาให้รู้ว่าอ๋อท่านวางใจได้เป็นท่านวางใจได้เป็นพอจะชัดเจนนะยอม ต่อไปเราจะถวายสังฆทานกันถูกไหมเนี่ยแต่นี้เปียงที่ท่านอาจารย์มหมาอุณาตพูดเนี่ยบางทีเราไปนึกว่าสังฆทานก็คือไปซื้อเป็นกระป๋องอะ่ะแล้วก็เขียนว่าสังฆทานนี่เสร็จแล้วสังฆทานอยู่ตรงที่เขียนเนี่ยใช่ไหมล่ะเออแล้วตามวัดต่างๆก็แปลกประหลาดนะแต่เนี้ยถวายสังฆทานก็วนกันอยู่นั่นแหละวนกันไปก็วนกันมาวนกันไปก็นวนกั น, กนมา บางวัดนี่แล้วจัดกิจกรรมขอไปโอ้ยกระทบเหม่ไม่ค่อยดีเหมือนกันก็เลยกิจกรรมมันต้องวัดนี้เท่านั้นถวายสังฆทานรู้สึกว่าถวายแล้วโชคดีไปกันใหญ่เลยถึงวัดบ้านนอกที่มีพระลำบากลำบากยมวิ่งเลยไปแล้วนี้เราเห็นยิงน้ไหมตามร้านเขาก็เขียนเป็นถังสังฆทานนะถังสังฆทาน เสียังฆทานจริงๆก็จริงๆนี่นะถ้าเราต้องการอย่างถวายเนี่ยอย่าไปทํามักง่ายอย่างนั้นเนาะให้ซื้อของแต่ละชิ้นที่เป็นของที่เหมาะสมแกสงจริงๆนะไม่ใช่ไปซื้อแบบผ้าสบงก็พอมาเปิดดูก็โหนุ่งก็ไม่ได้จริงเลย่้ข้างหนก็เอาแฟบไปใส่บางเอาอะไรก็รู้ใส่ไปเม้นที่หนักไว้ก็ น, นั้นนะใต้ถังก็เป็นเลยนะ พยอกขึ้นมากับคว่ำนะเอาก็กระดาษยัดเข้าไปจนครึ่งถังมันไม่เปิดดูจริงๆดิแล้เป็นของเสียคุณภาพเวยเออประเทศไทยเราก็เป็นอยางไงไม่รู้คือทำทานแบบให้ทานแบบมักง่ายมักง่ายกันก็ต้องระวังอันนั้นไม่ได้ทำด้วยประณนีตอะไรเลยคือสักแต่ว่าทำซื้อของเสร็จก็ทำทำทำกันอยูฉะนั้นที่นี้จริงๆที่ได้ปรึกษากันถึงบอกว่าอยากให้พวกเรากลับไปแล้วก็ ไปตัดเตรียมอาหารเตรียมอะไรที่ให้กลับไปแต่วันอยากได้ให้ทําจัดแจงอย่างปานีตตรึกพาสามีพาครอบครัวมาช่วยกันน้อมในการตรึกในการจัดแจงทำอาหารได้น้อมเป็นทานเป็นปุบพรเจตนาก่อนจะกระทําช่ไมทำกันอยัางมาจริงๆไม่ได้ทําแบบวิ่งปื้นไปซื้อมาเป็นถักทไมไม่ใช่เลยก็คือต้องการอยากให้กระบวนการของบุญกุศลมันเกิดอย่างต่อเนื่องจริงๆ แต่วัน came, นั่นไปนั่นมาก็สงสัยพวกเราคงจะไม่ชอบวิธีการแบบนี้ก็ชอบมักง่ายก็จริงๆก็คือต้องการอยากให้ได้เจริญกุศลกันจริงๆ